เรื่องของโลกถ้าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องเทียบเคียงความดีชั่วหยาบละเอียดละเอียดแล้วจะเป็นเหมือนกันกันกบต้องฟ้ามหาสมุทร ไม่มีตุดมีดอนไม่มีฝั่งมีฝาที่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนกับว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากมองหาที่เกาะที่ยึดไม่มีเลย วัวดินแดนของโลกกถานนี้ศาสนาจึงเป็นเหมือนเกาะเหมือนดอนเหมือนฝั่งเป็นที่หลบภัยเป็นที่พักผ่อนบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นนจากการแหวกไหวน้ำมหาสมุทรทะเลหลวง คือกามโอเะภาวะโอขะอวิชชาโอขะเป็นสำคัญนี่เป็นเหมือนกับน้ำหมาสมุทรทะเลซึ่งไม่มีเกาะมีดอนมีฝั่งมีฝามีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลยสัตว์ทั้งหลายต่างตัวต่างแหวกต่างว่ายกันอยู่อย่างนั้น แต่ไม่ทราบว่าจะไหวไปเพื่ออะไรไหวไปจุดใดไหวไปสู่ที่ใดหากไหวกันอยู่ด้วยความจําเป็นไม่ไหวก็จะจมน้ำตายความไหวเป็นความทุกข์พอประมาณถึงจะมากก็ไม่มากเท่ากาันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการไม่ไหวต่อยตัวแล้วให้ ต่อยให้จมน้ำตายไปเสียนั้นทุกมากก่อนจะตายเนื้เรื่องของสัตว์โลกไม้เอาดวงวิญญาณวิภพชาติของโลกที่มีวิญญาณมีใจครองนั่นแหละจึงเรียกว่าโลกว่าสัตว์ได้ไม่มีใจครองเรียกไม่ได้สัตว์ทุกตัวต้องมีใจครอง ความมีใจคองแต่ละพบกระชาตินั่นเรียกว่าสัตว์แต่ละตัวแล้วตั ว, ตวรวมแล้วเรียกว่าสัตว์โลกต่างตัวต่างว่ายต่างตั ว, ต, ต, ว, ต, ต, วต่างบึกบืนเพื่อหาที่หลบภัยหรือที่พักผ่อนพอได้บรรเทาทุกข์ที่แวกว่าอยู่ตลอดเวลาด้วยความเหน็ดเหนือ่อยเมื่อยล้านั้น แต่ก็ไม่เห็นจุดใดดอนใดพอที่จะวหวยเข้าไปพักผ่อนพอบรรเทาทุกข์ได้เลยเพราะมองหาฝั่งหาแดนไม่เห็นไม่เจอนีอ่คือสัตว์โลกแต่ละรายละรายนั้นเกิดมาไม่มีรายใดที่สามารถรู้ความเป็นมาของผลตั้งแต่ต้นคือฝั่งโน้น และมาถึงทํากลางคือในขณะที่กําลังเกิดตายหมุนเวียนอยู่เวลานี้และฝั่งโน้นคือความพ้นไปเสียอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความเวื้งว้างไปหมดแห่งฝั่งแห่งแดนทั้งหลายแต่ไม่ได้เวื้งว้างออกจากทุกในหัวใจของสัตว์ นี่อะถ้าไม่มีศาสนามาเป็นเครื่องวัดเครื่องเทียบแล้วสัตว์โลกทั้งหลายแม้จะเคยผ่านความทุกข์มามากน้อยและนานขนาดไหนก็ตามจะไม่มีความหมายในตัวเองเลยแต่จะต้องแหวกต้องไหว้ต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นตลอดไปไม่มีคําว่าการสถานที่เ ว, ล, วลาจะเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่เลยนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์พระองค์มึงพอเป็นฝั่งเป็นฟ้าเป็นเกาะเป็นดอนให้สัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวได้เกาะได้ยึดได้สดับตรับฟังตามภูมิแห่งกรรมของตนแห่งภพชาติของตนแล้วได้พ้นจากฝั่ง ไปโดยลำดับลำดาถึงขั้นที่ว่าพ้นไปอย่างมากมายของสัตว์ที่ได้รับการศึกษาอบรมจากพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์ <c oughs> พระองค์ <c oughs> นี่ที่พอจะทราบถึงเรื่องฝั่งเรื่องฝาเรื่องเกาะเรื่องดอนเรื่องที่ยึดที่เหนียว เราจะพอทราบได้ในเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นโรคก็พอมียาไม่ใช่โรคที่เต็นไปด้วยสัตบุคคลหญิงชายไม่เว้นแต่ละลายอะไรซึ่งทานแต่ของสแสลงกันทั้งนั้น ไม่มีหมอไม่มียาเลยแต่จากโรคทั้งหลายเต็มไปด้วยโรคเกี่ยวข้องกับอะไรกินอะไรนี่แต่เรื่องเป็นพิษเป็นภัยเผาไหมอยู่ภายในตัวเสริมโรคภายในนั้นให้กำเริบตุนแรงมากขึ้นโดยลำดับลาดับที่จะให้ลดหย่อนผ่อนคลายลงไปนี่ไม่มีทางนี่ นีโ่โรคโที่ไม่มีธรรมะเข้าเปือเกี่ยวคล้องเหมือนโรคที่จัดแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรนี้และเทียบเข้ามากับสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโรคแต่ไม่มียาไม่มีหมอแล้วสนใจตั้งแต่สิ่งที่แสลงที่จะทำโรคแล้ว ทุกข์ให้เพิ่มขึ้นโดยลาดับลาดาเท่านั้นสัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีความหมายถึงมีชีวิตอยู่ก็มีด้วยความทุกข์ความทารุณไม่ใช่มีอยู่เพื่อจะหายจากโรคจากภัยมีความสุขขึ้นมาตามโดยปกติทั้งสองอย่างนี้เทียบกันได้คือสัตว์ที่เติมไปด้วยโรค กับสัตว์ที่แบวกว่ายอยู่ในวัตฏะสงสารหาประมาณไม่ได้เลยเมื่อมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่และพระองค์พระองค์นั้นเหมือนกับ <c oughs> มาสร้างฝั่งสร้างฝาสร้างที่เกาะที่ยึดเอาไว้ได้สัตว์ที่พอเป็นไปได้ก็ได้เกาะได้ยึด ไม่ผ่านพ้นไปผู้ที่ไม่ผ่านก็ใกล้จุดที่หมายปลายทางเข้ามาเป็นลำดับลำดัเ <c> ม <oughs> ีศา ส, สนามีความจำเป็นอย่างนี้ต่อสัตว์โลกทั้งหลายใครจะตำหนิดิเดียนใครจะปฏิเสธยอมรับหรือไม่ยอมรับประการใดก็าตามหลักความเป็นมาอย่างนี้ดังเดิมและยังจะเป็นไปอย่างนี้อีกตลอดพระฉะนั้นศาสนาธรรม หิือว่าธรรมกับโลกนี้ถึงแยกกันไม่ออกเป็นแต่เพียงว่าธรรมมีเป็นการเป็นเวลาเพราะมีผู้นําออกมาแสดงในเรื่องของกิเลสนั้นมีอยู่กับทุกหัวใจกรรมของสัตว์ที่บาปของสัตว์มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกตัวสัตว์จึงผิดตัวขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานจากกรรมของตนอยู่โดยสม่ําเสมอ ไม่มีการสถานที่เว ล, เวลาเหมือนธรรมที่มีมาเป็นบางการนั่นเลยนี่เรื่องความเป็นมาการพูดทั้งนี้ไม่ได้พูดเพื่อโลกเพื่อสงสารที่เราตาเรามองไม่เห็นที่นอกไปจากตัวของเรานี่โดนโดยถ่เดียวแต่พูด เพื่อให้โอปะนณะนิโกในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสู่ใจของเราผู้กำลังแหวกไหวอยู่นี้ด้วยกามโอคะภาวะโอคะอวิชาโอคะเป็นสำคัญให้ได้แก้ได้ถอดได้ถอนสิ่งนี้ด้วยอำนาจแห่งธรรมซึ่งมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เด้นำเข้ามาชำระ <c oughs> ล้างสิ่งเหล่านี้ภัยที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเราก็จะค่อยเบาบางลงไปภพชาติที่มองหาฝั่งหาเดนไม่เห็นนั้นก็จะย่นเข้ามาย่นเข้ามา <c oughs> ยิ่งเป็นผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจมุลล่งหวังต่อความหลุดพ้นอย่างถึงใจแล้วก็คงจะได้หลุดพ้นปันชาติปัจจุบันนี้สำหรับผู้ปฏิบัติของเราที่เป็นนักบวชอยู่เวลานี้ขอให้ท่านตั้งหลายได้พินิษพิจารณา อย่าได้คุ้นกับกิยาอาการทั้งหลายที่เคยเป็นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้าแทรกเข้าแสงอยู่ทุกขณะของความคิดความปรุงถ้าเป็นจิตธรรมดาไม่มีภูมิในทางสมาธิและทางปัญญาเลยจะไม่ <c oughs> พ้นจากกิเลสเข้าแทรกทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมา ถ้ามีสมาธิมีปัญญาก็ยังมีช่องทางที่จะรู้จะเห็นจกแก้ไข ถ, ถอดถอนกันได้แม้จะมีการแพ้การชนะบ้างก็จะไม่พ้นจากความชนะมากขึ้นไปดลเดิมจนถึงไยชนะโดยสิ้เนเชิงได้เห่ยการเกิดตายของสัตว์ ของใครก็าตามนั่นเหมือนกันหมดในเรื่องกองทุกความแบบบ่ายตายเกิดมีแต่เรื่องของกองทุกทั้งมวลไม่มีจุดหมายปลายทางเลยเรายังจะยินดีเรายังจะเพลิดเพลินต่อสิ่งแทรกแซงคือกิเลสซึ่งเป็นผู้ชักจูงไปในทางสายนั้นอยู่เหลือให้ตั้งปัญหาถามตัวเองถ้า เราเชื่อพระพุท ธ, ธเจ้าความเฉดลาบของเราก็จะมีแม้เราระลึกความเป็นมาของเราไม่ได้ว่าเป็นมาอย่างไรบ้างความจริงก็เต็มสัดเต็มส่วนเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงแห่งความเป็นมาของเรากับสัตว์ทั้งหลายนั้นไมไ่มีผิดแปลกต่างกันเลยคือมีความเดียนว่าตาเกิดอยู่ด้วยอํานาจแห่งกิเลส มีสามประเภทนี้เป็นสำคัญด้วยกันนั่นแหละให้ทำความเข้าใจกับตนเองแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาแก้ไขหรือบำเพ็ญทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนตนให้พ้นจากทุกนี้เป็นทุกข์ที่ควรจะนำมาปฏิบัติ ไม่เหมือนกับทุกที่เป็นผลเกิดขึ้นจากกิเลสบีบบี้สีไฟเหล่านั้นหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เลยแต่ทุกพระความเพียรเพื่อสังหารกิเลสอันเป็นตัวผิดทุกนี้มีการมีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงไปได้นี่สําคัญอยู่ตรงนี้ความพูดตามหลักความจริงอยู่ในหัวใจนี่แล้ว ความสงสารหมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลานี้มีความสงสารมากเพราะที่กล่ามาเหล่านี้ได้พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถจึงได้ยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าและธรรมของพระองค์ท่านอย่างถึงใจอย่างฝากเป็นฝากตายด้วยความซึ้งภายในใจ ว่ตอบพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี่ฉลาดเหนือโลกเหนือสงสารจริงๆสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ใครไม่เห็นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมทั้งอุบายวิธีที่จะชักจูงหรือลากเข็นออกมาจากกองฟืนกองไฟที่เผาไม้สัตว์ทั่วโลกดินแดนอยู่นั้นได้อย่างเต็มพระไถ่ เต็มพสติกำลังความสามารถทรรมก็เป็นธรรมที่เด็ดขาดนำผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากด้วยสาเหตุอันใดสาเหตุอันนั้นสังหารออกได้นำสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยอุบายแห่งธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องจึงไม่มีที่สงสัย วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้พิจารณาไม่ได้มันหนักเป็นอยู่ในหัวใจนี้แต่จะพูดกับใครก็ไม่สนิทใจที่จะพูดเพราะผลที่จะเกิดนั้นมีน้อยมากกว่าผลเสียเจึงต้องคำนึงคำนวณถึงการพูดการจาในสิ่งเหล่านี้เรายอมรับ ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยเลยแม้เม็ดหินเม็ดใส่ถ้าจะพูดถึงเรื่องความเจริญหลาบเทรเอาตายก็ยอมตายเพราะความเจริญหลับอันนี้จะพาตายก็ยอมตายได้เลยเนี่ยที่จะมีแก่ใจให้บากบั่นต่อความภาคเพียนเพื่อความหลุดพ้นจากมหันตะทุกอันยืดยาวแสนยืดยาวนี้ไป ได้เวลาใดก็พอใจที่จะให้เป็นไปเพื่อความดุพจนอันนั้นไม่ขออยู่จมอีกต่อไปแล้วเพราะความจมอยู่ในกองทุกข์อันนี้ไม่มีทุกประเภทใดที่จะทำความเคยชินแก่ผู้ได้สัมผัสทุกนั้นย่อมจะบีบบังคับสุดกำลังความสามารถแห่งกรรมของตนเหมือนกันหมด เมื่อพ้นจากนั้นมาแล้วไม่เห็นก็เหมือนไม่มีผู้นีท่านเห็นเห็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่พระสงฆ์สาวกบางองค์ท่านรู้อยู่ท่านเห็นอยู่ท่านนำมาสั่งสอนพวกเราล้วพวกเราไม่เชื่อคนดังพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครถึงไม่เห็นก็ตามความจริงมีน่ะเป็นแต่เพียงว่าเราไม่เห็น จะไปลบล้างความจริงที่จะต้องโดนอยู่ในเวรต่อในการต่อไปนั้นได้ยังไงลบล้างไม่ได้เราจะต้องโดนแน่ๆถ้าเราไม่ทำความเขีดหลาบเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวขาตธรรมและปฏิบัติตามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเสียตั้งแต่บัดนี้ เราจะเสียท่าเสียทีให้กิเลสดังที่เคยเสียมาแล้วอยู่นี่แหละล่าไปไม่มีคำว่าสิ้นสุดยุติถ้าไม่นำธรรมนี้เข้าไปเป็นเบรกห้ามล้อไปตัดความยืดยางแห่งวกแห่งชาติแห่งเกากทุกทั้งหลายนั้นให้หดย่นเข้ามาด้วยการปฏิบัติอย่างอจริงอจังของตน ีมีเท่านี้ทางเดินทางออกของพวกเราจัดโลกนี้มีจำนวนกเท่าไหร่ฟังสิอันที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์ประเภทนั้นสัตว์น้าสัตว์บกที่มองเห็นับบนี้มันไม่ได้มีมากมายอะไรนะสิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านี้พบกี่ละเอียดยิ่งกว่านี้มีมากต่อมากแล้วรวมแล้ว ใครอยู่ที่ไหนพบใดก็าตามล้วนแล้วตั้งแต่ความอยู่ในพบที่ต้องเสวยกรรมตามอำนาจแห่งวิบากกรรมของตนมากน้อยอยู่โดยดีไม่มีใครจะเป็นอิสระได้เลยแม้แต่รายเดียวผู้ที่ทุกมากก็จมมากทุกนานแสนานานมหันต์แต่ทุกดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกนรกมีหลายหลุมหลายประเภท ตามกรรมของสัตว์ที่มีแย่หนักเบาต่างกันเช่นนั้นนี่ก็พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพร้อมกับเรื่องของพระองค์ก็เคยเกี่ยวข้องกับผิ่นเหล่านี้สถานที่นี้สถานที่เหล่านี้อยู่แล้วอย่างระจักพระไทยไม่ทรงเห็นเพียงว่าสัตว์ทั้งหลายได้ตกนรกหมุ่งไม่ได้รับความทุกข์ความทรมานในนรกหลุมนั้นๆ เพียงเท่านั้นยังทรงเห็นเรื่องของพระองค์ที่เข้าไปเกี่ยวเกาะหรือไปตกนรกบกไหมเหมือนสัต์ทั้งหลายนั้นเป็นจำนวนจีชาติถ้าเราธรรมดานับนับไม่ท้วนเพียงเรื่องของพระองค์พระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบไปหมดพระองค์รู้พระองค์เห็นเพราะพระองค์เป็นและประจักษ์ในพระองค์เองแล้วนำมาสั่งสอนเป็นแต่เพียงว่า ที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเปิดเผยว่าเราจะถาคดนี่ไปตกในโลกหลุมนั่นหลุมนี้เท่านั้นชาติตัวนี้ชาติถึงพระองค์ไม่ได้มาแสดงอย่างนั้นก็ตามความจริงที่เป็นในพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นสามัญชนคนธรรมดาสัตว์เหมือนสัตว์ทั่วไปนี้พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนสัตว์ทั้งหลาย เขาได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรเพราะกรรมอันใดพระองค์ก็เคยทํากรรมปกอันนั้นประเภทนั้นแล้วได้รับผลเป็นความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายยังไมไ่สงสัยในพระองค์เองและไม่สงสัยในสัตว์ทั้งหลายที่รู้รรอยู่เห็นอยู่ประจักษ์กับพยานอย่างทราบอยู่ตลอดเวลารบาบใจโรกระถาบนี้มีอะไรนี้ตั้งแต่เรื่อง สัตว์ทั้งหลายสวยต่ําหนักเบามากน้อยเต็มพระไถยปิดบังไม่ได้เมื่อถึงการถึงเวลาที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วปิดไม่ได้ความกินมีมากน้อยอย่างไรจะทะลุ ป, ปุโปร่งไปหมดตามความกริงนั่นนั้นนี่พระองค์จึงได้นําความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลก แล้วกิเลสซึ่งเพือเป็นค่าศึกต่อทำขับคัดค้านทำลบล้างความจริงแห่งธรรมทั้งหลายก็มีมาเรื่อยมาเรื่อยมาตั้งแต่การไหนการหลไรจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอีกมากมายนานแสนนานเมื่อโลกสมมตินี้ยังมีอยู่เมื่อไหร่กิเลสกับหัวใจสัตว์จะต้องผูกพันกันไปลบล้าง สิ่งที่จริงทั้งหลายเพื่อความจำปลอมทของตนจะเข้าแทรกได้อยู่ตลอดไปงั้นเลตทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่เป็นมาอย่างไรทั้งความทุกข์ความลําบากทั้งสถานที่ให้เกิดความทุกข์ความลําบากเผาไหม้อยู่ตลอดเวลากีกับกีบ่กันนํางไม่ทวนได้แกินรกหลุมนั้นๆพระพุทธเจ้าทรงสแสดง ให้สัตว์ทั้งหลายได้เห็นโทษตามหลับความริงที่สัตว์ได้สวยที่สัตว์ตกที่นรกมีอยู่นั้นีิเลดมันก็คัดมันก็ค้านมันไม่เชื่อว่านรกมีเนี่ยเมื่อเราในหัวใจของเราก็มีแต่ีิเลสเด็นจะออำนาจอยู่แล้วทาไม่มีอำนาจที่จะมาคัดค้านต้านทานีาน่เลสได้เราก็จาต้องเชื่อี่เลส วันนรกไม่มีแล้วก็บาปไม่มีบุญไม่มีสวรรค์พรมโลกไม่มีสิ่งที่มีก็มีแต่ความอยากตนหัวใจความอยากอันนั้นเป็นความบรรตุพิษภัยของเกิดไวอย่างเต็มปีเลยเมื่อเป็นอย่านั้นสัตว์โลกตัวใดๆายใดจะไม่หมุนไปตามอํานาจแห่งความผักดันของเกิดจะหมุนไปไหน เพราะไม่มีอะไรเป็นคู่แข่งคือทำมันไม่มีอำนาจพอจะเป็นคู่แข่ ง, งแทงทะลุถึงความจริงทั้งหลายมีนรกเป็นต้นที่กกเลตมันต้มมันตุ่นมันหลอกหลัดทั้งหลายอยู่ ส, สดๆดอนว่า น, นี่ไม่เห็นหรือน่นตาบอกด้วยถ้าพูดตามภาษาเรานี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เนี่ยธรรมะไม่มีความสามารถไม่มีกําลัง พอจะแทนทะลุไปถึงความจริงแล้วนาเอาความจริงนั้นม า, ายีหน้าของเจดให้เจดได้หลบหรือสหลบไปซะบ้างสักทีอย่างนี้ไม่เคยมีเพราะเจดมีกาลังมากทาไม่มีกำลังทำใ น, นหัวใจของสัตว์นั่นแหละเพราะฉะนั้นสัตว์จึงต้องยอมเชื่อว่าอะไรก็ยอมเชื่อทั้งทั้งที่ทไม่เป็นจริง รออยู่ตลอดเวลาต้มตุ๋นตลอดเวลาหาความจริงมาเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ก็คือเรื่องของกิเลสเพราะตัวของมันเป็นตัวปลอมหมดทั้งโคดทั้งแสลูกเต่าหลานเลนของกิเลสคือกิเลสแขนงใหญ่แขนงเล็กแขนงน้อยมีหมดมันเทียบกับปู่ย่าตายายลูกใต้หลานเลนของเรื่อมันปลอมเผื่อกันทั้งหมดแล้วมันจะเอาความจริงมาให้ สัตว์ทั้งหลายได้เชื่อความจริงนั้นให้หนีจากอำนาจของมันได้อย่างไงเพราะมันเป็นผู้ครอบงำมันเป็นผู้บังคับบัญชาให้อยู่ใต้อำนาจของมันตลอดเวลาทำนั่นเป็นธรรมชาติที่ถุดที่ลากก อ, อกจากสิ่งที่จอมสิงจอมตอนทั้งหลายแต่ไม่ทําไม่ไมีกําลังเวลาไม่มีกําลังที่ยังไม่มีกําลังก็ต้องเป็นอย่างนั้น คือต้องให้กิเลสมันถุดมันลากเอาตามความต้องการด้วยเหตุนี้จิตของถัดโลกที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสจึงหาทางเชื่อความดีได้ยากเชื่อความจริงได้ยากทั้งที่อย่างที่ว่าในรับความทุกข์ความทรมาณเพราะกรรมของตัวเองแท้ๆมันก็ลืมไปเสียเมื่อลืมไปเสียก็มองไม่เห็นไปเสียอีกด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความเฉลีบไม่ได้ เพราะไม่เห็นไม่รู้ตรหนึ่ว่าเราไม่เคยเป็นไม่เคยมีทั้งๆ ท, ที่ผ่านมาอย่างสุดร้อนเฉลดมันก็ปิดความจริงมันไว้เฉียดมันไม่ให้รู้ไม่เห็นเราจะให้บางคาให้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมตัางประเภทต่างๆซึ่งเป็นผลของมันนั่นแหละตลอดเวลาไม่มีการละเวน้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงไม่มีรายใดว่าจะต อ, อนกําลังลง เบาบาง้นไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานเต็มไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานยิ่งเต้นเป็นกระโดดไม่ว่าอยู่ในภพใดชาติใดเพราะจิต ด, ดวงนี้อัดแน่นอยู่ด้วยความปรักรันของเดให้หมุนไปตามความต้องการของมันเนี้ยจัดทั้งหลายจึงได่หมุนไปอยู่ตลอดเวลาหมุนไปแบบที่ว่าเหมือนคนว่ายน้ำในมาหาสมุทรนั่นแหละ ไม่มีฝั่งมีเดือนแต่ก็ต้องแหวกต้องหน้ายอยอย่างนั้นนี่นี่หละที่ที่เป็นค่าสืบของธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้ลบล้างอยู่ตลอดเวลานี่หลย น, นี่ใกลชิดติดพันมีอำนาจมากนู่นเราจะทราบได้ถ้าไม่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าทราบจากพระเจ้ามาเป็นอันดับแรก ทราบจากความเป็นของเจ้าของในอันดับที่สองนี่สองพยานนี้เข้าไปสู่ความจริงทีนี้เมื่อเข้าสู่ความจริงแล้วจะทาอะไรให้มาเอานาอะไรมาลบล้างก็ลบล้างไม่ได้เช่นนรกเลงลงไปที่จิตวิญยานของเรามันเคยเป็นยังไงมา จิจนาทะลุไปแล้วเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงที่เคยเป็นมาของเจ้าของแล้วลบล้างได้อย่างไงนี่ความเชื่ออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝังใจเอามากมายสำหรับที่จะให้ตะเกียบตะกายสิมากแต่การสำคัญก็คือพิษภัยที่ฝังอยู่ภายในจิตใจมีมากมีน้อยรู้ชัดด้วยอำนาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นเครื่องเพิ่มพูกนกันเข้าไปเข้าไป ก็ยิ่งทำตัวให้หมุนเป็นธรรมจักไปเลยนี่ผู้นี้และเป็นผู้ที่เห็นภัยอย่างประจักษ์ประหนึ่งว่าพระพุทธ เ, ทเจ้ามาประทับยืนฉุดลากอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นมาเราถาคตจับเอาจับมือตถาคตนี้วางตถาคตจะพาให้ดุจให้พ้นนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายนี่คือกองแห่งทุกข์ทั้งหลายหรือกองทุกข์ทั้งหลายประหนึ่ง ท่านประกาศอย่างนั้นในธรรมของท่านเมื่อได้รู้ตามเห็นตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนแล้วนั่นแหละใกล้เต็มทีใกล้เข้าไปทุกทีความ ด, ดีความดิ้นเจ้าของที่จะให้หลุดให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งไม่เคยเชื่อแต่ก่อนมันเต็มหัวใจแล้วด้วยความเชื่อแล้วดีดดิ้นไปด้วยเต็มอย่างเต็มฝีมือชีวิตจิตใจหลุดขาดที่ไหนเอาเป็นยอง ถ้าชีวิตลมหายใจยังมีอยู่ต้องดิ้นต้องดีดให้หลุดให้พ้นจนได้นี่อนนานาจของธรรมเมื่อมีเพราะถึงกันเห็นความจริงเต็มหัวใจทั้งเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายเต็มหัวใจอีกเช่นเดียวกันแล้วทําไมกําลังของใจจะมีอะไรเทียบเท่าเรานั่นแหละเมื่อทําอะไรทําลงไปด้วยกําลังของใจแล้วย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ยอมมีกําลังมากทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วหลุดพ้นไปได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลุดพ้นท่านหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าไม่มีกําลังของใจหลุดไม่ได้พ้นไม่ได้ทำอะไรเรื่องกําลังของใจเป็นสําคัญเหตุที่จะเกิดกําลังของใจก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมอีกมากมายในบรรดาธรรมทั้งหลายที่จะโยกจะเทิดเราให้หลุดพ้นจากภัยทั้งหลายนีกระทำของพระพุทธเจ้าก็ประกาศกัางวานอยู่ตลอดเวลาประกาศกลางกลางวัน อยู่ด้วยหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องลงไปเลยทว่ากิเลสมีไหมในหัวใจเราที่พระพุทธเจ้ารับสั่งหรือว่าเทศสอนอะไนี้มีผิดที่ตรงไหนกิเลสมีไหมในหัวใจเราพระพุทธเจ้าบอกให้ชำระชำระอะไรบอกว่าชำระกิเลกกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ใจนั่นท่านสอนอย่างนี้ผิดไหมเราเพิจนารนณี่ที่เรื่องโ ส, สดร้อนๆเนี่ยหรือกิเลสไปอยู่ต้นไม้ภูเขาดินท้าอากาศนั่นหรือ ให้ความทุกข์แก่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆประนุนเหรอหรือให้โทษให้ความทุกข์ที่ใจของเราเองใครก็ต้องยอมรับว่าให้ทุกข์อยู่ที่นี่เพราะกิเลสอยู่ที่นี่นี่พระพุทธ เ, เจ้าแสดงก็สดสุดร้อนเรื่องของธรรมก็แสดงให้ประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่เหมือนกันทำเครื่องแก้ทำเครื่องถอนเครื่องถอนกิเลสเพราะกิเลสมึงอยู่ในหัวใจธรรมก็มีอยู่ในหัวใจในฉากเดียวกัน แก้ไขถอดถอนท่านบอกให้ละสิ่งใดละสิ่งนั้นปล่อยสิ่งนั้นวางสิ่งนั้นแล้วคำมั น, นรกก็เช่นเดียวกับกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเรา ส, สดสดร้อนๆเช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจของสารโลกได้ทําไมนรกมีไม่ได้เพราะนรกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้ยินได้ฟังเป็นความจริงที่มีอยู่แล้วทุกมีอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาในภพนี้ก็เคยเฉลิมทุกมีอยู่แล้ว บาปบุณนรกแป็นของมีอยู่ดั้งเดิมมีมาตั้งแต่กาลไหนๆพระองค์ทรงสอนตามหลักความจริงที่มีอยู่สดอย่างสดสดร้อนๆเช่นเดียวกับนี่เลยมีในหัวใจของสัตว์นี่แหละไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยไม่มีอะไรมีน้ำหนักมากน้อยต่างกันมีมีน้ำหนักเท่ากันด้วยความจริงตามที่ทรงสอนไว้แล้วทุกประการนี่เอานำเข้ามาชั่งในหัวใจตัวเองจีแล้วจะยอมถลอกตอกเปลือ เรารับความทุกข์ความทรมารไปกับทีเดียดอย่างไม่มีหูดุนตานี้มันเกินไปนะนักปฏิบัติของเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อได้แล้ ว, ลวถ้าเป็นหมืนเปอร์เซนก็หมื่นเปอร์เซนไม่มีที่จะขาดตกบกพร่องเลยแต่กี่เดียดนี่ก็หมืนเปอร์เซนก็เป็นตัวจอมปลอมหลอกลวงมาตลอดเช่นเดียวกันนี่เราก็เคยเชื่อมันมานานแสนนานแล้วเป็นยังไงได้รับความวิ่เสีิที่สูอะไรบ้างเอามาเทียบให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรม ยาอยู่อย่างละเลอะละแหละผมพูดตามความจริงการแนะนําสั่งสอนมูอเพื่อนผมสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารเพราะสิ่งที่ตามกําลังของเจ้าของเนี่ยที่จะรู้จะเห็นตามกําลังั้งเจ้าขอ ง, ของนี้ไม่มีใครปิดไม่บอกก็ตามไม่พูดให้ใครฟังก็ตามมันเต็มอยู่ในหัวใจก็บอกว่าเต็ ม, มในหัวใจอย่างน้นยอมเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ว่าเชื่อแต่ฝ่ายกิเลสที่เลยไฟธรรมก็เชื่อเต็มหัวใจ ทิ้งที่มีอยู่ทั้งหลายที่พระองค์ทรงสอนก็เต็มหัวใจแบบเดียวกันไม่มีอันใดยิ่งใหญ่กว่าวกันเลยจึงได้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาสงสารอย่าได้กล้าได้หาในสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงหักทรงห้ามอย่าฝืนอย่ายับฝืนอย่าไปทำํำยังไงก็ต้องไปเจอจริงๆไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกลวงสัตว์โลกมาแต่การไหนๆแล้วอย่าดือ้อย่าด้านความดื้อด้านเป็นเรื่องของเด็ต่อสู้ธรรมลบล้างธรรม แล้วจะมาล่าเราไปเป็นตัวประกันรับเคราะรับกรรมตรงอยู่ในนรกจะเป็นใครผู้จมกิเลสไม่ได้จมนะ่ะตัวเรานี่ต่างหากให้พึงทราบว่าเรานี่จะเป็นผู้รับประกันกิเลสในทางความทุกข์ความทรมานทั้งหลายหนักเบามากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรเราเป็นผู้รับความเคราะรับกรรมนั้นเรายังจะยอมรับอยู่เหรือยังจะยอมให้กิเลสมันต้องมันตุนนี้ตลอดไปเหรือพิจารณาสิเอากิเลสเนี่ยเป็นเครื่องเทียบ กับเรื่องทั้งหลายที่กล่ามานอกนี้เหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่จุดใดจุดใดหาที่แย้งไม่ได้เต็มไปด้ยวยความจริงเต็มไปด้ยวยความจริงไหนตั้งใจปฏิบัตินะโลกมันร้อนร้อนเพราะอะไรถ้าไม่ใช่ร้อนเพราะกิเลส จ, จะร้อนเพราะอะไรทำท่านไม่ได้พาใครให้ร้อนก็เห็นกันอยู่ลู้กันอยู่นี่ ตามีหูมีแทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ตามอัตตามคําที่ทรงแนะนำสั่งสอนมันกลับให้กิเลสเอาไปใช้เอาไปถลุงเสียจนหมดผลที่เกิดขึ้นจากการถลุงไ อ, อระนาต่างๆเหล่านั้นก็กลับมาเป็นไฟเผาเราอีกโรคมันถึงได้ร้อนถ้าพิจารณาสิลาครับีนานี้เป็นตัวสำคัญมากเวลานี้กำลังอันนี้นะตัวทาให้โรคที่ร้อนมากที่สุด เวลานี้กําลังเด่นกําลังออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลยไม่มีอย่างอายเป็นความหน่าด้านเสมอคนเราไม่หน้าด้านแต่กิเลสมันหน้าด้านด้วยในี่กิเลสอยู่กับคนก็เลยกลายเป็นคนหน้าด้านไปนี่ความทุกเราเป็นผู้รับเหมาออกนี่ที่มันหน้าทุเรศมากที่สุดเลยหมดความศักดิ์สิทดีงามแห่งความเป็นมนุษย์เฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชนักครวัต ให้มันเอาให้กิเลสเอาไปท้าหลงใช้จนหมดคําว่าพุทธพุทธไม่ปรากฏในจิตใจเลยมีแต่เรื่องทลเลตไหลไปกับเรื่องของกิเลสทั้งมวล น, นั่นแหละที่นา่าจะความรู้ทั้งหมดที่ผิดขึ้นมาในแง่ใดมุมไหนมีแต่เรื่องของกิเลสผิดให้ไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวันหน้าใดก็าตามความรู้มีมากน้อยเพียงไรทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีแต่เรื่องของกิเลสตัด มาแล้วยัดใส่มือให้ตีหัวกันตีหัวเจ้าของแหลกไปหมด น, นี่ตั้งแต่กองทุกเป็นปืนเป็นไฟเพราะ ค, ความรู้นั่นเนี่ยเพราะความรู้นั้นเป็นไฟวิริยเท ม, มันแทรกเข้าแทรกเข้าเราไม่รู้นี่สอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเวลาทําลงไปแล้วมันไม่เห็นดีเห็นแต่เป็นปืนเป็นไฟเนี่ยตัวสําคัญเช่นโลกกับมาหาตัวนี้แหละ มาหาตัวราคาเนี่ยเป็นสําคัญอวิชชาเป็นสิ่งที่ละเอียดที่เด่นพิสูจน์ในโลกในสงสารในสังคมมนุษย์และสั ต, ตว์ทุกวันนี้ได้แก่ราคาตันหาอันนี้เด่นมากจนทําลายคนไม่ให้มีพระศักษิ์ดีงามไม่ให้มีจริยาแห่งความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชด้คราวาสก็ <c oughs> อันนี้เป็นสําคัญมากมันทําลายไปหมด ความศักดิ์ิดีงามก็ไม่มีถูกมันทําลายหมดมนุษย์เราไม่ว่าหญิงว่าชายหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสจับมัดคอติดกันไปหมดเลยคุณค่าเท่ากันไปเลยถ้าได้เพลิดได้เพลินทั้งวันทั้งคืนจะเป็นจะตายก็ไม่ว่าขอให้กิเลสมันพาเพลิดพาเพลินไม่ว่าหญิงว่าชายเอาจะได้จะเสียอะไรก็ช่างมันไม่มีคําว่ารักเมือนสมหวนตัวจ้อาจเจอเจอกันเข้า แย่ไม่กันแล้วเจอเข้าแย่ไมกันแล้วเจอเขาเย่ไมกันแล้วพราอยากให้จงแต่เขายังไม่ขอทางเดียวนี่ค่าค่ตัญหาแบบนี้อยากให้แต่เขายังไม่ขอมันถึงไดิ้นขนาดนั้นทีมนุษย์เหล่าันดูเอาทีแล้วมันสามีใครพูดตามหลักความจริงเวลานี้มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่ตรงไหนทั้งหญิงทั้งชายถ้าลงอันนี้ได้เข้าครอบหัวมันแล้วออกขนาดนาดเลยแล้วมันมีอย่างอายที่ไหนมันไม่ได้มี มันเต็มไปหมดอย่างนี้เ่ยมีอำนาจของกิเลสมันมีอํานาจขนาดนี้ความดีงามหรือกิริยามารยาทศักดิ์ศรีของมนุษย์หรือศีลหรือธรรมนี้ไม่ต้องถามมันเตะมันถีบมันยันออกหมดยังเหลือแต่ร่างมนุษย์เท่านั้นเองทั้งหญิงทั้งชายมีคุณค่าเท่ากันเท่าว่ามีกับคุณค่าของกิเลสนันเนี่ยคุณค่าของราคะตัณหาเรื่องคุณค่าของธรรมไม่ต้องไปถามเอาอะไรมาเป็นคุณค่าอ จะเปิดต้านรับกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนดีไปดีต่อไปนี่มันถ้ามันพอๆกันมากๆเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้นุนเสื้อนน่นผ้าเนี่ยมันจะปล่อยตาาดเลยไปหมดเลยมันถึงเต็มยศในความอยากนี่ไดยออกเต็มที่เต็มฐานเต็มความสามารถของมันแล้ยทุกมีอะไค่อยพิจารณากันถ้าถ้ามีทางที่จะพิจารณาได้ถ้าพิจารณาได้ก็จมไปจมไปทั้งเขาทั้งเราอย่างนี้ วางไงนี่แหละโลกขาดจากเห็นจากธรรมมีตั้งแต่ความที่ผายใบ ป, ปวงไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนชาติชั้นบรนดาใดฐานาใดถ้าลงได้ปืนไฟอันนี้ได้เข้าแล้วมันแหลกไปตามกันหมดไม่มีใครมีคุณค่าอะไรเลยว่าเอาเยิ่เฉยเหตุฉันปั้นยนะ้อนส่วนหัวใจมันเป็นปืนเป็นไฟแล้วกันหมดเพราะอันนี้แผดเผาราคากีนามันแผดเผาโทสะมันไม่เอานี้เป็นเหตุจะเ อ, อะไรเป็นเหตุเนี่ยรเรื่องความหลงมันหลงมาแล้วตั้งแต่ เม่เกิดมันไม่บอมันไม่เกิดเนี่ยเกิดมาเพื่ออันนี้เองเพราะอันนี้มีกำลังมากศีลธรรมเข้าไปยุ่งไม่ได้แนะนำสั่งสอนกันทางด้านศีลนา่นทำนี่ดีไม่ดีหัวเระเยอะกันไปถ้าเรื่องขอร่องของกระเด็น เ, เอาหัวขาดก็ยอมให้มันขาดไปเพราะความพอใจนี่กำลังเวลานี่ศา ส, สนาร่วงมาถึงสองพันห้าร้ยกว่าปีเพียงตอนนี้ดูเอาหูมีตามีจะไปดูยากอะไรเขามีทุกหูเรามีตา ด้วยกันทุกคนกิยาการที่แสดงมานี้ไม่ปิดบงังลี้ลับจากหลักความจริงมันเป็นไปอย่างนั้นและโลกนี้เป็นยังไงขึ้นหอประสาทรา้สมุนเตียนพระราคคินาโพกินานี้มีได้เหรอนอกจากเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันแม่ที่สุดสามีภรรยายอยู่ด้วยกันก็ไว้ใจกันไม่ได้มีแต่วความระแคะระคายเข้ามันเป็นเหมือนลิงจะว่าไง ไม่มีสินทําในใจแล้วมันปล่อยตัวไปได้หมดทําอะไรได้หมดเรื่องมีคู่มีสามีภรรยามันไม่ได้เอามาเป็นข้อคิดแบบมีแต่ความอยากความเทวิชยานความปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปได้วันยังทาคืนย่างลู่มไม่มีเขตมีแดนไม่มีหลักไม่มีฝั่งมีฝาเลยถ้าลงธรรมชาตินี่ได้เข้าสินในหัวใจมากๆแล้วเป็นอย่างนั้นะลูกเต้าเหาก้อนนี่มันก็เป็นไปตามกันหมดพ่อพ่อกับแม่พาให้เป็น ร้อนไปตามๆกันหมดนี่แหละคนสร้างความยิบหายจากตัวสร้างความเดือดร้อนจากตัวครัวเมียสามีภรรยายที่อยู่ด้ยวยกันก็หาความสนิท ก, กันมาได้ทั้งๆที่นอนติดแนบอยู่ด้ยวยกันนั่นแหละมันก็ไว้ใจกันมาได้พอออกอย่างนี้ไปแล้วก็ไปสร้างาระดับอวจีขึ้นมาเผากันแล้วเผากันแล้วเมียก็เผาคัวก็เผาต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างทําต่างคนต่างเป็นปืนมันไปในความหมายของโลกของครอบครัวญาเหลือมันก็ไม่มีเพราะอันนี้ไปทําลายจะหมด เอาความไว้วางใจเอาควาอบอุ่นเอาความตายใจมาได้ยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ทําเพื่อให้ได้อบอุ่นให้ได้ตายใจมันมีแต่เรื่องสร้างความขี้หายใบพวงให้แก่โลกเท่นั้นนี่เร่งตางกเมื่อต่างคนต่างเสริมแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าลงไม่ได้ศีลธรรมได้ห่างก็เพราะหันหลังให้ศีลธรรมห่างพุทธลายก็เหมือนกับคนไข้ห่างหมอห่างยานั่นเอง เมื่อหางอันหนึ่งก็เข้าใกล้คิดติดพันกับสิ่งหนึ่งคือของแสดงน่ะเป็นที่คนไข้ที่ชอบที่สุดคือของแสดงอันนี้ของแสลงศีลทำนั่นแหละโรคที่ชอบที่สุดคือสิ่งที่แสดงต่อศีลแต่ทำที่จะทําลายตัวให้จิตผาลอยพวงอันนี้โลกที่ชอบที่สุดเพราะฉะนั้นทุกข์กับโรคจึงแยกกันไม่ออกนับแต่วันจัทวีรุนแรงถ้ายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมเมื่อไหร่แล้วยังไงก็จิตผาลอยปวงสดสร้อนรตกนรกทั้งเป็นนี่แหละเราอย่าไปพูดดื้อพูดเรื่องนรกเมืองผีนั่นน่ะ ดีไมด่ดีจดบัญชีไม่ทันนั่นแหละถ้าเราจะพูดแบบบัญชีเพราะมันต่างคนต่างสร้างเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มแผ่ดินไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าชาติชั้นบันหน้าใดฐานหน้าใดมันสร้างตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ที่จะเป็นปืนเป็นไฟต่อกันแล้วเมื่ออันนี้มันเป็นหลักเป็นใหญ่แล้วนั่นกระจายไปในกิยาการใดๆจะเป็นติดเป็นยอ่อมันก็เรื่องเป็นใหญ่ด้วยกันหมดด้วยอันนี้เองพาให้เป็นมันจึงได้เผาไหม้กันตลอดไป นี่แหละเรื่องโลกเป็นอย่างนี้แล้วตื่นหาอะไรเวลานี่พิจารณาสิเราไปวังวิเศษวิโสอะไรกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เพียงมันยับขึ้นมา่ายในหัวใจเท่านี้กับผู้ที่เราจะต้องการะละละต้องการถอนต้องการจะฆ่ามันอยู่ยังเส็บแสบขนาดไหนพิจารณาสินี่แล้วยังจะไปเสริมมันนั่งยิเป็นบ้ากับมันแล้วเป็นยังไงหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยคนคนนั้นพระองค์นั้น ถาเราจะเห็นโทษก็ให้เห็นที่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษแต่แท้ไม่ได้สอนให้เห็นคุณธรรมมาลายจริงจะพลิกตะบัดกลับมาเป็นเทวทัตต่อสู้พระพุทธเจ้าด้วยการคัดค้านต่างทานโปร่ง อ, อย่างนี้มันมีอย่างเหรอพระกันพินิจพิจรารณานะนี่การพูดทั้งนี้เราไม่ได้พูดให้ล้ายป้ายสีต่อโลกต่อสงสารเราพูดตามหลักความจริงเอาดูเอากระได่นี่น่ะถ้าว่าหาเรื่องหาเราต่อ ต่อโลกต่อจงสาระว่าไม่มีความจริงแล้วรู้เอาก็รู้นี่เป็นยังไงความขาดศีลทำเพียงคนหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องติดต่อของเรามีแต่เรื่องเหล่านี้มาพูดถ้าเป็นของดีแล้วมาพูดทําไมมาบนม่นทําไมนี่เกี่ยวข้องมามาเกี่ยวข้องรายได้มาเกี่ยวข้อ ง, ม, องมันมีแต่เรื่องอย่างนี้อย่างนี้ทั้งทั้งที่จะของมาเป็นผู้ทําูผู้สร้างขึ้นมาเองแล้วมือเขียนก็ตีนลบนั่นเองเหนือพิจารณา ขนาดนั้นนะไม่ได้เห็นโทษเลยแล้วก็สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บนตลอดเวลาทำตั้งแตยให้ได้บ่นแหละลงเป็นธรรมแล้วมีมากมีน้อยภูมิใจเย็นใจสบายใจไปหมดถ้ามีศีลมีธรรมได้มนะเอาที่นี่กลับโกรนข้ามพระราชาเรานี่มีเพียงศีลห้านี้พอเย็นไปหมดนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องยกมาทั้งคำพีพระไกรปิฎก มารักษามาปฏิบัติแหละเพียงศีลห้าตัวนั้นก็เย็นถ้าเราก็สองรอยยี่สิเจ็ดนีน่ก็เย็นปานาฟังใชค่าเขาค่าเราก็มีน้ำหนักเท่ากันความรักยิ้ของเขาของเรามันเท่ากันเนี่ยสมบัติของเขาของเรามีน้ำหนักเท่ากันรักเท่ากันเหมือนกันเนี่ยการมีสิมิชฉาจารย์นี่ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด เอาต่างคนต่างรักษาเขี้มงวดกดขันเป็นตาก็ตามเรามีขอกมีเทศแล้วฝ่าฝืนมันไปหาอะไรถ้าจะวิเศษก็เมียขงเราคนนี้ก็วิเศษแล้วพวงเราคนเดียวนี้ก็วิเศษแล้วจะไปหาอะไรมาตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนมั น, นมมวิเศษมากนี้ถ้าไม่ใช่เอาไฟมาเผากันทั้งเป็นแน่นี่นาจีแล้วคำว่ามุสามันเป็นทิไว้ใจได้ยังไงฟังคำว่ามุสาความหลอกลวงมันเป็นของทิไว้ใจกันยังไงพูดคำที่คำจริงต่อกัน แล้วถ้าทำทำสัตว์ทำยิงต่อกันแล้วคนเราไม่ค่อยได้โกหกกันแหละอันนี้มันมีแต่ทาก็กิริยาการมีแต่เรื่องโกหกยิงได้มาโกหกกันตลอดเวลาเพื่อปกปิดสิ่งที่ทำมันไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขารู้ทําแล้วว่าไม่ได้ทำํำนี่ก็เป็นโกหกนะัสุรายาเมา่นี่ก็เหมือนกันนี่ตัวใหญ่ตัวสําคัญอีกอันเป็นเหตุเป็นเรื่องการก่อรสร้างคดีตั้งหลายขึ้นมาคดีในตัวเองคดีในหมู่เพื่อนคดีในสังคมคดีทั่วโลกดินแดนก็คืออันนี้เป็นตัวสําคัญมาก มันมีคุณค่าขนาดไหนยิ่งกว่ามนุษย์เลยถึงเดีผิดได้สร้างมันขึ้นามาได้ข น, นาดหนอันเนี้ยเป็นน้ำบ้าอยู่ดีๆนี่ไม่เป็นบ้าพอกินนี่ก็ไปมันเป็นบ้าไม่รู้จักของดีของชั่วของมี ล, ลาคาไม่ราคาไม่รู้จักสูงจากต่ำก็คือตัวบ้านี่เองพาให้เป็นไปแล้วคนมีคุณค่าขนาดไหนคนคนหนึ่งมีคุณค่าขนาดไหนอันนี้มันมีคุณค่าขนาดไหนนอกจากเป็นยาพิษเผาคนตอนนั้นให้คิดหายไปตรงไปไม่เห็นมีอะไรแล้วผิดกันขึ้นมาหาอะไรถ้าเราจะพูดตามหลักคอนฟูนเนี่ยเรื่องของเรื่องของสีหน้าแล้ว ไม่เล่นด้วยแล้วอย่างนี้แล้วแสนสบายไปเถอะเรื่องความมีความจนนั้นเป็นธรรมดาของโลกอันนี้จังมีมาก็อันนี้จั ง, นนจงทุกของหน้าตามันเป็น อ, อย่างนั้นแต่เรื่องสีนั้นคําซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรักษาให้เป็นความร่มเย็นบรจุความปากเป็นปากตายต่อกันเพื่อเป็นความอุ่นตลอดถึงลูกเล็กเด็กแ ด, กดงหรือคุณบุตรสุดท้ายปลาหลังเอารักษาให้ดีเมื่อดอกอันนี้รักษาให้พอให้เป็นไปแล้วจะเย็นไปเรื่อยๆล ย, เ, ล ย, เ, ลยเรา เย็นแล้วยังไม่แล้วล so, like ูกเต้าหลังเย็นยังเย็นอีกุูดูบือถือท้ายไปหลังยังเย็นยังมีแบบนี้ฉบับยึดไปถือื่อเป็นทีดอย่มงคลแจ่ตนเองไม่ได้ต่างคนต่างสร้างทั้งมาอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่แวลานี้ไปยังไงขนมาอยู่ที่ไหนก็ขนมาเผาก็มาเรื่อยเรืยแล้วก็ประจำหนีคนอื่นว่าเป็นกับคนนั้นคนนี้เช่นผู้ใหญ่ก็ตจำหนีว่าเด็กไม่ดีอย่างนั้นนี่ตัวผู้ใหญ่นั้นเนตัวสําคัญที่ดื้อด้านที่สุดต้นดานอยากที่สุดคือผู้ใหญ่นั่นแหละ ตัวคึกขนองที่สุดมันอยู่ไม่เป็นสุขมันหาเอาเรื่องมาเพลิดมาเพลินดื้อๆมาทงแล้วเผาคนอื่ไม่ได้คํานึงคํานวณเลยแล้วก็ไปยกโทษใะไรคนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นเด็กไม่ดีอย่างนี้เด็กทุกวันนี้เป็นยังไงวะเด็กทุกวันนี้ไม่ดีเลยมันจะดีอะไรก็พ่อแม่แบบพิมพ์มันไม่ดีพ่อแม่เหมือนกับขีดแล้วจะอะไรมาให้มันดีแล้วสร้างตัวของพ่อแม่ให้ดีทีเด็กมันอยู่ในกรอบของพ่อของแม่อยู่ําอำนาจของพ่อของแม่ต่างคนต่างอบรมศึกษากันให้ดีม hmm ันจะหนีไปไหนมันก็ต้องดีจนได้ถึงจะ ถึงจะเสียก็มีน้อยไม่ไเขียมากเหมือนอย่างที่เขียอยู่เวลานี้เพราะการปล่อยตัวทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันต้องได้เป็นเย่านั้นนี่เรื่องของธรร ม, รมเป็นยังไงเห็นความแปลกประหลาดความอัธกันฑ์ไหมเอาเพียงรักษาสินค้าเท่านี้เอาเอารักษาให้ดีที่เป็นยังไงเย็นไหมในครอบกลัวถ้าเราอยากเห็นความเด็ดความเหวี่ยวความเียบขาดความอปุ่นประจักษ์ใจของเราเนี่ยเอาเอาที่ักเราต้องเป็นผู้เด็ดผู้ขาด ต่อความชั่วทั้งหลายที่จะมาทําลายศีลเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันนําค่าของหัวใจมนุษย์เดาหัวใจครอบครัวหัวใจทุกข์กอะไรจะมาทําไม่ให้มาทําลายแล้วแล้วจะธรรมชาตินี้แ่แหละจะสร้างความอุดมขึ้นมาภายในใจของเราคนมีคุณค่าขึ้นมากินคุณค่าของคนจะเกิดขึ้นจากศีลจากธรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากอํนนานาจของกิเลสราค่าตันหาเหล่านี้นะนี่มีแต่การทําลายทําลายทายั้งนั้นมีถ้าความเลยพอดีเป็นอย่างนี้ คมบดีพระองค์ก็ไม่ได้ทรงตัดขาดนี่นะเรื่องของโลกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่ให้รักษาให้ดีนะมีปืนมีไฟสําหรับจุดสําหรับตาสําหรับหงต้มแจงก็ให้มีวแธีรักษาให้ดีเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วนะอันนี้เราแก้มันไม่ได้เราถอดถอนไม่ได้แล้วละมไม่ได้เมื่อมันมีก็ให้รักษาต่างคนต่างรักษาอยู่ในกรอบศีลธรรมให้ศีลธรรมเป็นผู้ช่วยรักษามันก็ดีเท่านั้นเลย อนนี้ไม่ได้มีรักษามีแต่ทำลายต่างคนต่างทำลายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่จะเข้าลงเ ข, าเข้าลงอยู่แล้วก็ยังทำลายจะว่าไงพอจใจทำลายเลอดเวลาแล้วจะหาความหยุบความดีเด่นมาจากไหนหาความสุขมาจากไหนแล้วหาสาระของมนุษย์มาจากไหนเมื่อมนุษย์ต่างคนต่างทำลายตัวเองและผู้อื่นค้าคขายกันจนหมดทั่ว<ม>บุญบดนอย่างนี้แล้วหาสาระจางศาลมาจากไหนเราจะตรงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ช า, ชาเรื่องของกิเลสมันต้องอวดเก่งเสมอแต่ว่า จมก็คือกิเลสนั้นเราพาคนจมนี่เราพูดในภาค ท, ทั่วๆไปเรื่องความห่างเหินจากศีลจากธรรมความส่งเสริมพื้นไปเนี่ยเป็นได้อย่างนี้นะแน่ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสรูก็จะมาสอนแบบนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงไม่ใช่เป็นการหลอกลวงสอนในนี่ก็สอนเป็นตามตักความจริงถ้าปฏิบัติตามได้ตามนี้แล้วยังไรก็เย็นไม่สงสัยเลยนี่ นีเอาย่นเข้ามาหาตัวของเราเลยนัก บ, บวชนักปฏิบัติของเราเอาให้แ่มัม่วกวดขันเลยมันจะเป็นจิตตาเพราะการรักษาคุ้มนมความดีเพราะการฆ่าขี้ให้เห็นมันเป็นอย่างนั้นเอาให้ขนานแล้วเราจะเย็นนะ่ะยิตมันจะดิ้นจะดิ้ไปไหนอุบายวิธีการถูกทรมานตนเองนี้เพื่อดัดสันดานพิเลศมันดัดเนี่ยนี้มันได้หาอุบายใหม่มาดัดหาอใบายใหม่มาดัดจึงเรียกว่าปัญญา แล้วจะโง่ๆให้กิเลสเยียบหัวที่เเวลามันดีที่ไหนต้องใช้อุบายสติปัญญาให้ทันกับคนมาาของเหี้ยซึ่งมันแหลมคมละเอียดมากแหลมคมมากละเอียดมากไม่มีอะไรเกินกิเลสกินได้ครอบโลกธาตุถ้าอยู่ในเงื้อมมือของมันถ้าไม่ใช่ทาไปฉุดไลกออกแล้วไม่มีหวังที่สารโลกทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากหน้าของมันไปไมีทำเท่านั้นบอกว่าจะไม่บอกอย่างอื่นบอกว่าเท่านั้นถ้ามีทำแล้วเป็นอันมากดูนั้นจมไม่มีวันผ่านไปได้เลย ให้พากันจำให้ดีอันนี้แสดงเต็มตอนนี้อะพอเห็นไหมอันเห็นไหมอยู่ในกรุงเทพอ่ะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้นมีไหมมันก็มีอยู่นะที่เขาเขียนเป็นรูปไว้เต็มไปหมดเอาขายนเนอะพร้เจ้าเสด็จไปตปวดราชบิดากรกบินภาพร้าท่าไหร่แล้วทำรูปพระไว้บินทบานอ่ะห่ม เ, เหลียงไปบินทบาน ในกลุมกบินณฑพมันมีที่ไหนอันนี้เขาก็ยังทาได้เ น, นั่นด้วยเขาไม่สนใจผิดถูกอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีผู้มามีผู้มาซื้อแล้วเขาําขายไปเหมือนเรองรองเทา้ารองเทา้เทาช น, นี้ไหนที่ห้ามในทระวินัยนี่ก็มาให้เป็นเจตเป็นเจ้าของผีแล้วก็ไว้คํานึงถึงความผิดถูกของรองเทา้าใครเขาทำอะไรก็ซื้อเอาซื้อเอานั่นเขาก็ทำเลยที่เขามีผู้ขายมีผู้ซื้ อ, อนีู่ แล้วความความจริงของรองเท้านี่เป็นไงหงชั้นนั่นถูกอืมแล้วสี่ชั้นห้าชั้นถูกสองชั้นสามชั้นไม่ไรเนี่ยมันก็บอกไปแล้วถ้านยังบอกในมัจจิมาประเทศปัจจิตประเทศอีกด้วยเช่นเช่นอสี่ชั้นนี่ใช้ได้หมดทั้งมัจจิมาทั้งปัจจิะาส่วนห้าชั้นหรืออะไรนี่ให้ใช้ได้ในกระบวนบดในมัจจิตาประเทศไงหนึ่งชั้นอะไรส่วนสี่ชั้นสาขานะได้หมดเลยเป็นหล่นั่นก็มีนะก็มีไง อันนี้เขาทำมามีกี่ชั้นท่านมหาธรรมดูเรื่อยดูใส่กุ๊บๆเลยอย่อาดีฉันังเกงั้นนั้นเือไม่สังเกตก็คือไสัเกตในไม่จึงเก็บตัวเองะไ่ตัวเองเป็นพระนั่นแลวไม่สัเกตตัวเองก็เท่ากับไม่สังเก็ภายในก็ไม่เท่ากับไม่สังเ็ตตัวเองนี่คือนผิดก็ได้นีงๆมันั่วไม่สัเกตใช่ไมที่ี่ส้นหมนันตัวพื้นมันเนี่ยชั้นมันจะนับนะพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยหงชั้น สี่ชั้นห้าชั้นเฮ้ยไหนมีสองชั้นสามชั้นชั้นอะไรก็สวยมากว่าจะรองเท้าก็เลยใส่จนหน้ากองเราก็จะทั้งจีบแย่มากนี่ก็เป็นอย่างนั้น้วเห็นดูทีนี้ผู้รักสาเลิกสาอยู่รักษาต้างใหญ่น้องเต๋ฉะนั้นอันใดที่ทําดาเขาใหญ่ทาไมจะไม่รู้ก็สมเกิอยู่นี่ เราก็ใช้เฉพาะสิงที่มันถูกกับหลักธรรมหลักวินไยอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเรื่องของความยิเรื่องที่เราจะปฏิบัติต่อหลักธรรมหลวินัยาอย่างเช่นว่านี่นะยิมายปุปันสกุลจีรานี่กับปีวรานี่อะไรสังะกอโยา่าง น, นี้ในหลักหลักธรมรมวินัยจริงบางสกุลนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเ ร, รื่องสังฆศานะสังฆศานี่เป็นธรรมทาม ถ้าองค์จนี้เป็นเรื่องของบุคคลจะทอดที่ไหนก่อนแล้วเคนเมนขาเพรม่คนจ า, ทางท่านกับพี่ายเ่างนี้ถ้าเขาโทรปสนงกษาท่านไม่รับเลยนะก็สงกษะอันนี้เปรร็นบุคคลได้ยังพันานนั่นไม่ไม้นพูดนะสังกษะมันเปมีราคามาทอดจะให้ เ, เขาือไม่ต้องเหยครับ ไม่ต้องกล่าวคํามถวายครับทามันเป็นมังุจริงไม่ได้กล่าวแล้ววางไว้เลยเท่านั้นอ่ะเป็นบังคุณตังสุแปลว่าไงเป็นมหาล่ะกุละแปลว่าไงเอามหากับมหาใส่กันหน่อยนะฮะฮะตงสุก็ขี่ฝุ่นขี้ฝอยวางทุกเข้าไปก็ขี่ฝุ่นขี้ฝ้ยกุละก็คือพื้นเนี่ยเตินไปด้วยขี่ฝุ่นขี่ฝอยแน่ห้าขงอาจาริยะมันเป็นมันเป็นนกธรรมอยู่แล้ว คือเรื่องทอดอย่างนี้นไม่ใช่สังขารนะเป็นเรื่องของเขาไปว า, ไางไว้เลยก่แล้วแต่เขาไปเห็นแล้วก็ชัดออกชักมักนสกุลฉะนั้นผมแม่ครูจานทร์ทำเลยโอ้ยผมตัง้งใจจริงๆนะท่านมหาเพราะตั้งใจไปศึกษาจริงๆท่านทำอะไรดูจริงๆอ๋อต้องทําอย่างนี้อท่านทาอย่างนี้อ๋อท่านทำนอย่า ง, น, ง น, นี้เนียินได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนสอนสอนจริงๆเลยไม่สอนเล่นนะเพราะเราเราทำจริงทุกอย่างไปอยู่กับท่านผมไม่เคยคุ้นท่านเลยนะ อยู่ท่านแปดปีท่านจะพูดอะไรก็ตามธรรมดาลูกศิษย์กัอาจารย์เหมือนพ่อแม่กับลูกบางทีท่านก็พูดทีเล่นทีรินพูดป้ายแต่เรา ม, มันจริงทุกอย่างนี่มันจับประมดคือพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่หมดผมไม่มีที่ค้านเลย เราก็ถ้ายพูดถึงว่าทิฏฐิก็ทิฏฐิอันหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ลงง่ายๆถ้าอะไรขัดแย้งกับหลักธรรมหลวินัยแล้วเราจะไม่ลงนั่นครับเฉพาะอย่างยิ่งหับข้อวินัยเนี่ยข้อพวินัยเป็นแบบตายตัวและเราไม่เคยเห็นเลยนะพ่อแม่คูอาจารย์โดยส่วนพระวินัยข้อไหนเราไม่เคยเห็นเลยนั่นฟังดีขนาดนั้นนะท่านละเอียดขนา ท่านเจออี๋หอมรำนิ้หมดเธอทูนหมดเลยขึ้นชื่อว่าพระวินัยละเอียดขนาดนั้น น, น, นั่นนี่เขาลบพระพุทธเจ้าเขาลบขนาดนั้นนาธานพูดถึงเรื่องความรุ่งท่านยิ่โหพิสดาร น, นะความรุ่งท่านเป็นความรู้ที่ผ่าผลเลยพระเจาไม่แจ้เี่ยค่ายกันแตจะารู้หมดแต่ส อ, อกสอกแสกแสก แคนอยากให้หมู่เพืนได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจนะนัน ม, มาพูดแต่เราคนเดียวกโกกโก่เหมือนเสือถูกปืนเหมือนกับเอาเราพูดแต่เล่นเล่นไม่เห็นใครเป็ น, ปนสติปัญญาไม่เห็นความเป็นเอาความเป็นมาแท่ความจริงแค่ามาสูวนมันเป็นยังไง ร, รู้ยังไงเห็นไงนำมาพูดจริงๆปัญหาเออไม่ได้มาโกง่งคืออยากให้รู้อยากให้เห็นเหมือนกับทำบุญแล้วเปิดอยู่ตลอดเวลาเป็นตลาดสดอยู่ตลอดเวลา อ่าอาเอากล้าไปตามนี่นะกล้าไปตามนี่นะว่างั้นพูดง่าเอาจะเจอนั้นจะเจออะไรเจอเลยอะไรก็สดๆร้อนๆเพราะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นที่เป็นวเรายังไม่เห็นได้เฉยพอเหมือนถึงนั่นไม่มีเพราะเป็นเจอก็ปั๊กอ๋อเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะระบุทีเจ้าสอนไว้ได้สอนไว้ได้ด้วยนะนี่ต้องไม่ลงพระวิญญาณลงไงรงไครทีนี้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันก็ยอมเนี่ย เพรรู้ไปตรงไหนเห็นเรื่องไหนมีแต่พระเจ้าสอนไม่ได้สอนไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะทําปิดยอยอะไรจะแปลกต่างๆอะไรนะไม่ว่าจะทําในวงอริยสัจมันรู้ตรงไหนตรงไหนหรืออริยสัจนี่วเว้เป็นเป็นล่างเงี้ยงจริงนะเป็นแก่นจริงๆของศาสนาผ่านไปไม่ได้ผ่านอริยสัจสติวัฏฐานสีมันก็ลงไปจุดเดียวกัน อาอาศาสตร์หรว่าทิฏฐิอันสี่มันก็ลงประจุดเดียวกันเวลาเร า, เ ร, ารู้ธรรมอาญาศาตรเป็นของจริงนั่นที่มันสำคัญไม่รู้ง่ายต้องรู้ด้วยภาพปฏิบัติรู้ที่เราเรียนมานี่มันเป็นภาพ ค, ความจําำมหา น, น, นี่เราก็เป็นมหาแล้วกันนัน ก, ก็พูดแต่เต็มปางนะถ้าผมไม่ได้เป็นมหาเขาจะว่าผมเง็บ้าแล้วพูดออกนอกรู้นอกทางแต่นี้เราก็เป็นมหาก็เรียนมาเหมือนกันคือความจําเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่น ง, งไม่ได้เหมือนกันเลยเวลาเราปฏิบัติ คือความจําเราก็จํามาแล้วเนี่ยมันประจาอยู่หัวใจเราแล้วเวลาความจริงมันขึ้นมามันไม่ได้เหมือนอันนี้แน่มันจริงมันมันซึ่งกว่กากันเอามากมายน้ําหนักของธรรมนะปัญหาคือทีไรที่ได้รู้ได้เห็นตัวเองเนี่ยมันหนักแน่นออมากจริงจริงนะกาฐานเต็มที่เลยนั่นอันที่เราจํามาในก่อนเห็นจะตัวจระเป็น <laughs> นิสัยไปเลยเขาว่าเลยเขาว่ากันนะเขาว่าเขาว่าไปเลยความจํามาแล้วไปเจ อ, อจริงๆนี่โอ้ตั้งแต่เด็กจะไปเถียงมานนะมันใส่หลวงธิดะก็มันไปเห็นจริงครับไปเถียงว่าได้เลยเด็กะ นั่นหนักคืออาถารพ์นี่ก็ทั้งเด็กถ้าลงได้เห็นนะจ๊ะนั่น่ะได้ยินเขาว่าไงไแล้วเป็นภาษาเดียวกันนี่โอยอาถารมากนะถ้าเราได้ไปเจอนั่นแหะคือความจริงไปเจอด้วยตัวเองตเ อ, งอย่างที่พระอริยสัเนี่ยผมก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะไปรู้อย่างนั้นบอกเวลาเดี๋ยวจะรู้ก็คือเราจะเป็นจะตายมันจนกระดสมนมือว่าอย่างที่ไปแต่บังคับให้มันรู้ของจริงเนี่ยสําคัญกว่านี้นะคื อ, ค, อคืออยากให้หายทุกอยากให้หายแต่โอ้ยมันยิ่งกำเริบใจเลยนี่มันต้เป็นเครื่องสอนอันหนึ่ง เราอยากให้ทุกหายเวลามันเอานี่เหมือนกับว่ามันจะพ้าดินถล่มมันทุกข์มากนะเราอยากให้หายแล้วมันยิ่งหนักขึ้นทีนี้ตัดออกเลยเอ้าวไม่ต้องอยากให้หายอยากจะรู้ความจรงิงอะเอามาันเป็นยังไงเป็นกันอาตายก็ตายเถอะนะอ้าวใครจะตายก่อนตายหลังความรู้อนี่จะตายก่อนทุกข์หรือทุกข์จะตายก่อนความรู้เฮ้ยมันเห็นของจริงมล้นี่วะนั่นทีนี้เรองนั้นก็ค่อนเลยเดียวมันมาจากไหนมันมาจากไหนมันสัดว์กันทุกข์มากแล้วมันยิ่งหนุนติวติวปญัญญาหยุด เวลาเวลามันมันทุกม์มากๆนี้เรื่องอยากให้ทุอยากให้ทุกหายยาประยานั่นแหละความอยากานั้นเป็นตัญหาแต่ความอยากรู้ของจริงนี้ไปเป็นมักเนี่ยมันต่างกันนะอยากรู้ความจริงเนี่ยมันเป็นมักถ้าอยากให้ทุกหายโอ้ยลองดูที่หลักก็เคยมาแล้วอย่างเด็บัดออกอ้าออนให้รู้แต่ความจริงเท่านั้นมีความจริงมีต่ละอ้าแสดงมาให้หมดวันเนี้ยจะตั้งถึงขนาดตายไม่ตายสว่างรู้กันนุ่นนี่สองอยา่างหนึ่งตายสอง สว่างพระกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยสว่างเป็นวันใหม่แล้วถึงจะรู้ฟาดกันเมื่อมันไม่ไม่มีที่ไปมันจนกองหนุนก็สู้สิคนไปเทียบมันเทียบนี่เทียบไปเทียบมาดังที่เที่ยงวันนั้นให้พอมันรู้นี่โถหาดสะบั้นไปหมดเลยโอ้โหอัศจรรย์นะเราไม่เคยรู้เหมืนก็เพิ่งไปรู้วันนั้นทิงสักอะไรก็สักแต่ว่าอะไรก็สักแต่ว่าไม่มีเห็นอะไรกระทบกันเลยอ๋อนี่ทันทีว่า ทุกข์ขาดไม่ได้จะจังทุกข์เป็นของจริงเป็นของจริงอย่างนี้คือทุกข์นี่ก็ไม่มีความหมายในตัวเองเลยด้วยไม่มีความหมายกับสิ่งใดว่าจะให้กระทบกับเพือนอะไรให้ได้รับความทุกข์กับมันด้วยท่า น, นเป็นความจริงอันหนึ่งเท่รรานั้นเวลาพิจารณาให้มันชัดเนลงไปมันจริงพิจารณาอะไรมีแต่จริงเนี่ยทำมาสัญญากันกันแล้วไปหมายหมายนั่นนสัญญานี่เป็นสมุดใยพอกาหนดพิจารณาตามมันหมายหาเรื่องอะไรค้นหาเห็ุน้ำวนนัสัญญานี่มันหดเข้าว่าหดเข้ามาหดเข้ามาถึงใจตึกหมดความหมายไม่มีเลยนั่ สมุบบทัยก็ไม่ทํางานทุกก็เป็นของจริงขึ้นมาเด่นชัดปัญญาก็รอบเลยและต่างอันต่างจิิงที่นี่ไม่มีอะไรกระทบ ก, กันนั่นเวลานั้นทุกข์มันจะยังไม่ดับกระทานะมันจะมีอยู่เป็นมากน้อยอะไรก็ตามมันยิ้มได้สบายเลยเนะเพราะมันไม่เข้าถึงใจมันมีอยู่น้งองอย่านี้มันต่างอันต่างจริงอยู่นี่เห็นชัดชัดอยู่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้ถ่งแบบทุกข์เป็นของจริงจริงอย่างนี้เองอริยสัจเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองไม่เลยไม่ต้องถามใครอ๋ออวิชแนลนั่นอย่างนี้เอง อ, อ, อ, อ, อ, อ, เอย่างนี้เอ ง, อ ง, เองพอมันได้หลัก ที่นีใจนั้นมันไม่ทํามันสอาพันนะพอพอเห็นทุกเป็นของจริงแล้วใจมันสุดแดงเข้ามาจิใจขึ้นมานี่โถอาชจาริงจริงทั้งทั้งที่ตอนนั้นก็วิชามีอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าอวิชามันดับนะนี่มันมืมันรวมตัวเข้ามาอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของจริงจิตนี่ก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นแนะฟังสิเมื่อต่างอันเป็นของจริงแล้วอันอันหนึ่งมายมันเที่พูดไม่ถูกอ่ะอัศจรริงนี่แหละอันอาศจรย์อันนี้ย โอ้ว่างั้นเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ติดจแต่ผมมันเป็นหลายอย่างนะนิสัยของผมมันเป็นเองของมันจะทําังไงมันเป็นไงก็ว่าจำเรื่องไม่หมดถ้ามันไม่เป็นแล้วก็พูดไม่ถูกอันนี้มันเป็นมันอย่างที่ว่าทุกเป็นของจริงแล้วพอมันพิจารณารอบแล้วมันดับเพิบหมดเลยอนั้นก็ไม่ย่างหนึ่ง มันรอบแล้วมันไม่ดับทุกไม่ดับแต่มันเข้าหากันไม่ได้มันไม่ได้ประสานกับกิตนะมันต่างอันต่างจริงๆว่ามันไม่กระทบกันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบเนี่ยมันก็ชัดถึงนั้นมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้สบายเลยก็มันไม่เข้าถึงใจนั่นมันเป็นของจริงของมันอยู่อย่างนั้นคาว่าทุกข์ก็อี๋เนี่ยอะไรมันก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงอยู่มันก็ไม่กระทบกันมันเห็นได้ชัดอย่งแล้วมันจะมากระทบจิดได้ไงเพราะจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเท่านั้นเนีอย่างงหนนึ่มมัียอย่างสําหรัับมอแล้วนะะเป็นนนอย่่าาางไไรแ้ตกมดึ ต้งมันเป็นเองเวลาพิจารณาแล้วมันจะเป็นแบบไหนมั่นเป็นงมันเองเราไปตกแต่งไม่ได้เลยนะมันเป็นของมันเองนี่เมื่อเราได้พยานอย่างนี้แล้วเอาทุกมันจะขนาดไหนก็เถอะบ่างั้นในฟังที่ว่าคําว่าเถอะนะคือมันเด็ดเต็มที่มันมันลงมาได้ก็วัดกันอยู่นั่นบางทีความลงมันลงช้าลงเร็วต่างกันนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอินฟ้าอากาศเหมือนกันผมผมเชื่อแน่เลยเพราะมันเป็นในใจของถ้าวันไหน อากาศร้อนๆอบอ้าวมากๆวันนั้นภาวนานี่แม่หายกิดลงได้ยากพี่นารอบยากนะฟาดจริงๆนะวันนั้นละวันมันบอบช้า ม, มากนะที่นี่วันไหนมันอากาศมันช่วยคือวันนี้ฝนพราเย็นสบายแล้วเอาละที่นี่เย็นพอให้เย็นดีๆให้มันมีหนาวบ้ า, บางแหละดีที่นี่มันสนุก่าจะจับตรงไหนติดตรงนั้นปัญญานะเกาะตรงไหนติดพับติดพับติดพับเดี๋ยวก็ผึงลงเลยวันนั้นไม่ได้เหนื่อยเล ย, เลยนั่นนั่นคือ ทุกษะสัตว์อรดยสัตว์เก่านั้นแหละสติปัญญาเก่าน่ะแต่มันก็ลงในยากได้ได้ง่ายต่างกันลงในชาติเร็วต่างกันนี่จึงว่าอากาศมันช่วยคือถ้าวันไหนอากาศเป็นยังไงแล้วมักจะไม่ได้บอบช้าเลยนะเพราะเพราะออกจากที่พักลุบไปเลยเพราะนั้นไม่ได้ทุกข์เลยทั้งทั้งที่นั่งเวลาเท่ากันนี่จึงสําคัญอยู่ที่จีนนา้าเมื่อมันได้รักสติปัญญาแล้วมันจะ อ, อะไรมาถอย ถึงมันไม่ลงมันก็จะลงนั่นมันไม่ลงมันเดี๋ยวนี้มันก็จะลงแต่ส่านหลับผมพิจารณาวันที่ตลอดรุ่งตลอดรุ่งอย่างนั้นนะนั่งตลอดรุ่งนั้นไม่เคยพลาดนะเป็นเพียงว่าลงช้าลงเร็วต่างกันตาทํารมะในเรื่องภาพทําอัศจรรย์นั้นไม่พลาดเลยอันนี้ก็แต่งออกมาได้มันต้องเป็นของมันเองเมื่อวันรอบแล้วมันกะลงของมันเองเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วบางวันนี้ไม่โทษแตเหมือนกับว่า มันระบมหมดร่างกายเราเหมือนกันเน่าเฟะทั้งทั้งที่ยังไม่ตายนะมันทุกข์ขนาดนั้นแต่สําคัญที่เนี้ยมันน่าอัศจรรหนึ่งก็สําคัญที่ที่ได้ชมเจ้าของทั้งคันมันไม่ถอยเนี่ยโถจิตเหมือนกับจะกัดเพชรทั้งก้อนนี้ขาดสะบัดอยู่นู่นน่ะสําคัญมันทําสมมติมีถอยมันไปไมได้นะกําลังใจที่ทั้คัญมากนะนี่ผูดถึงกำลังใจมันจริงๆผมน่ะ มันเด็ดจริงๆนะไม่ใช่คุยแล้วมันเห็นกระชัดนในใของมันไม่ทุนนี่อ๋อเป็นอ๋อเอาเถอะเหรอเวลาจะตายมันจิ้งหนักตรงนี้นะทุกนั่นฟังที่มันออกมาแก่นะเวลานี้มันยังไม่ตายมันยังไม่หนักอ่ะมีอะไรแดงขึ้นมาเราจะดูอทุกขสัตว์นี้ให้มันถึงของจริงเหมันจริงยังไงทุกขสัตว์จริงของจริงจริงยังไงฟาดกันูเวลาลงแล้วแหมเหมือนฟ้าดินถล่มอัศจริ เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันได้ถ้าลงกิจมันเด็ดแล้วยังไงมันก็ได้สติปัญญาพร้อมเนี่ยคือคือเวลามันทุกข์มากขนาดสติปัญญานี้มันมันจะอยู่ไม่ได้เลยนะมันจะหมุนดิ่วดิ่วดิู่เพื่อช่วยตัวเองคุณง่ายนั่นแหละคนเราเมืจนกอะเข็มมุมแล้วไม่ใช่มันจะโง่สบายไปนะมันช่วยตัวเองหนาอ่ะนี่ก็เพราะอันนี้เองเวลาอยู่สบายๆมันก็เป็นอีกแบบๆเวลามันจะตายจริงมันคลี่คลายเหตุ้าผนทั้งมันเอาจนรอดตัวรอดก็ได้ ถูกจริงๆแต่มันมันมันไม่ได้วิตัววิจารณ์มันไม่เสียดายนะถ้ามันไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันรับกันอย่างนี้นะโอ้โหตอนนั้นทำไมถึงคอมเียนอย่านั่หไานแล้วจะเป็นเสื่อเสียดายชีวิตกําลังมังชาสุขภาพร่างกายนี้ไม่เลยถ้าไม่ไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไ ม, ไม่ขนาดนีน้มันก็ไม่เป็นอย่างนั้น น, น, นี่เนี่ยมันรับกันดีมัน ถึงไม่ได้เสียด้ยเรื่ อ, องความเพียรนะของถ้าพูดถึงเรื่องหนักหนักจริงๆผมผมเป็นคนอยากตามความเพียนี่โอ้ยหนักมากแต่ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วตายเลยมากันเละที่ดูที่นั่งทอ น, น้าเฉยมันไม่ได้เจ็บได้ปวดถ้าร่างกายของเราเนี่ยนั่งอยู่ธรรมดาธรรมดานี่บางทียังไม่ถึงชั่วโมงนะบางทีก็ชั่วโมงกว่าเล็กน้อยลุกออกมาได้แล้วจมานี่ยนั่งดีทุกวันนี่นะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดนะมันมันหนักตายแล้วเนี่ย เท่านาไปนีนามันตายตั้งแต่เมื่อไรล่ะสามเมื่อเราจะลุกลุกไม่ได้เฉยๆหืมทำไมเป็นอย่างนี้ก็มาจับให้หัววางทุกวันนี่แต่ก่อนโอ้หมันต้องเดินตายซะก่อนมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะมันมันถึงขนาดเดินตายมันถึงจะเป็นอย่างนี้ถ้าธรรมดาอย่างที่มันโอ้ไม่ไม่เป็นลูกไปเลยนี่ที่ไหนได้มันตายหมดแล้วโอ้มนแลกําลังกายที่นี่หมดแล้ว ใช่มันมามากต่อมากมีตอนหนึ่งตอนที่มันอัศจรรย์ตอนความเปลี่ยนของเรานึ่กับตอนไปถึงขั้นปัญญาอันนั้นมันทางใจนี่มันหมุนติว้วร่างกายกระพป็นไปด้วยอย่างว่านละ้แต่ดูว่าจะไม่ทุกข์เหมือนกับปีที่นั่งตลอดลุล่มอันนี้ทุกข์มากร่างกายบอกช้ำมากพร้อมกันกันกบใจ แต่ก็เด็ดมากทีเดียวเพราะมันผูกโกรธผูกแคนก้นกันกับจิตเสื่อมนั่นละเรื่องมันที่มันจะเด็ดออกมางมาก็เพราะจิตเสื่อมมันเช็ดมันหลาบขนาดนั้นนะฟังดิ้ยืนขนาดที่ได้พูดให้มีคว้วฟังมันนู้นกี่ครั้งว่าถ้าจิตเสื่อมครั้นี้เราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบ ม, มันจะตายแบบไหนนะคือจะทนต่อไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจริงจิตนี่ถ้าเราไม่ตายสื่อมไม่ได้วังอดเลยนี้ก็เหมือนกับนั่นแหะเหมือนกับไอ้ผู้ต้องหาที่เป็นโทษอุกจารกันนั่นเองปุ๊นยังไง มัดคอตระเวไม่ปล่อยมันเลยนั่นเนอ่าอ๋อเวลามันเสื่อมนี่มันทุกข์จริงๆนะผมเนี่ยมันไม่ลืมนะมันฝังลึกเป็นสัจธรรมมันร้อนจริงๆนี่เราอยากได้สีดจากนั่นกลับมาความอยากได้นั่นเนี่ยทําไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็ร้อนต้องไม่ต้างเรียบตอยหมดหมดอะไรตาอยากทุกอย่างนะล้ะ อ, อะไรจะเสื่อมมันก็เสื่อมหมด ไม่อะไรแต่อยากแต่พุทโธนี้จะเสื่อมไปก็ได้จะอยู่กับพุทโธเป็นตายอยู่กับพุทโธเท็จหมดทีนี้มันเสื่อมมันจะได้ไม่สนใจแล้เพระสนใจเาพอแล้วได้ให้ความทุกข์เรามามากต่อมาแล้วนะวัตถุพุทโธเอาจริงจริงนะผมคำว่ า, าพุทว่าอะไรมันเป็นจริงงาน น, นิสัยมันจริงม า, มากๆย่างนี้บอกเลยเพราะนั่นจริงมาเห็นแล้วหล่อแล้วมันเห็นมันดูไม่ได้นะมันจริงจริงจริงไม่ยอมปล่อยเลยจริงๆริงอ้าวมันรู้อยู่นั้นตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนรู้อยู่นั้น จนกระทั่งที่ว่าถึงเวลาพุโทโธกับกิดนี่มันเข้าไปรันเดียวกันมันเป็นนะสมัยนึกอพุโทโธไม่ออกเลยหมัดพุดโทโธเหลือไปอยู่ในความรู้หมัดนึกอพุโทโธไม่ปรากฏเลยมีชัดขนาดนั้นเหลือแต่ความรู้เด่นเลยพุทโธไม่ทราบหายไปแล้วกจะบริกรรมพุทโธมันไม่ปรากฏเนี่ยมันมีแต่ความรู้เด่นยอยู่กับนั้นเจาะ อ, อยู่นั่นแหละแม้นไปไหนเนี่ยเอาพอพอมันพอนื้อพุโทโธได้นี่พุโทโธเข้าเลยพอพอเห็น่มันจะเป็นอย่างไรอื่นไม่ได้แล้ว ไม่ปล่อยที่นี่ไม่ปล่อยมันก็จําได้ปล่อยเพราะมันลึกไม่ไม่ไม่ปรากฏเลยเวลาความรู้มันเด่นของมันนั้นนึกพุโทโธไม่ปรากฏเพราะเป็นพุโทพโธเลยปรากฏตั้งแต่ความรู้นี้เด่นเด่นตลอดเวลาอะอยู่นี่ซะกก่อนเอาพุโทโธเอาความรู้นั้นแหละเป็นพุโทโธก็ดียมันรู้หี่วา่าไงรู้อยูนะ่แต่ไม่ไม่ใช้คําบริกรรมพอมันเปลี่ยนสภาพมันตั้งพุโทโธเข้าวันทีแล้วนี่แหละตอนตอนทุกอันหนึ่งตอนนี้ทุกอันนี้ทุกทั้งสองอย่าง ทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจอันนี้ทุกในขั้นต่อไปก็ทุกเพราะอดอาหารนี่ทุกอยู่เพราะอาหารอดอาหารผมไม่ละนะจะเป็นขั้นใดผมก็ไม่ถอยจะอดอาหารเพราะมันช่วยแล้วพูดถึงเรื่องปัญญาเนี่อดอาหารนี่มันขั่งตัวมันยิ่งขั้งเอาอีกอดให้เท่าไรมันยิ่งเสริมอ่ะนี่มันต้องมันต้องปล่อยไม่ได้ก็เห็นผลอยู่นี่ปล่อยได้ไง แต่ใจนั้นมันอดอดไป อ, อดก็ตามเถอะมันจะเป็นเป็นอย่างนี้เลยตลอดไม่มีว่างเลยหมุนอยู่ติวติวติวจนบางทีกันถ้ า, าเว่าเราจะพูดเรื่องลำคาญก่อน ก, ก, ก็ก็พูดได้ถึงได้กับวิถึงกับได้วิตกขึ้นมาว่าะ<อ>สมยัยผิดเราคิดคาดไว้แต่ก่อนว่า ภาวนาจิตใจมีความละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะน้อยลงน้อยลงจะเบาลงไปบางไปสบายไปเรื่อยๆกับความเป็นจริงอันนี้ที่มันเป็นอยู่ด้านนี้ทำไมมันเข้ากันมาได้อย่างนี้เป็นนะคือมันหมุนยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนหมุนตลอดจนกระทั้งบางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยนะมันเพลินกับงานนั่นน่ะมันใช่อะไรนะมันเพลินในงานนอนก็มันก็นอนทํางาน มันนั่งก็นั่งทํางานจะทำงานเราก็เดินยังคงมันก็ไปก็ทํางานสุดท้ายนก็แจ้งมันไม่หลับกลางกางมันยังมันยังจะไม่หลับอีกโอ้มันจะตายไหมเนี่ยนีะนี่ขนาดมันนี่มีปัญญาถึงขั้นมันหมุนหรือว่าปัญญาเตลมัตหรือภาวนาไม่ไดปัญญาเห็นจะทันงานสิเมื่อมันเห็นแล้วมันทำไมมันพูดไม่ได้ะหือแต่ถ้ามันไม่เห็นมันไม่รู้มันยังพูดไม่ได้จังไหยเมื่อมันรู้แล้วมันทำไมพูดไป่ได้ ผมมีอันหนึ่งอยู่ที่ที่ผมคิดอนะผมกําลังแยกกำลังแยกอยู่ถึงเรื่องท่านนํามหาสิมหาปัญ ญ, ญาเนี่ยผมจึงยกเอาว่ามหาสีมหาปัญ ญ, ญาเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ผมว่างั้นนะเอาจิงการสาขาดอกใบเหมือนกับความรู้ที่มันละเอียดมันซึ่งมันทราบปัญญาอันเนี้ยมันพูดยากนะอั น, นอันนี้มันไม่เผลอแล้วเรื่องเผลอเนี่ยไม่มีหลักธรรมเผลอเนี่นยมหาสิมหามหปัญ ญ, ญาเนี่ยเอาอะไรมาเผลอนั่นอันนี้มันจันทกันได้เลยว่าไม่เผลอ หลักตรงนี้หลักรู้แท้ๆว่างั้นเลยนะผมไม่เถอะไอ้นี่อไอ่ที่มันความรู้ที่ละเอียดเนี่ยมันละเอียดมันรวดมันเร็วมันละเอียดนี่แล้วพูดไม่ได้ครับมันเป็นอะไรนี่มันอะไรที่แต่แล้วผมก็มารวมเออก็รวมไว้ในกิ่งก้านของมหากิีมาปัญญาว่างกันที่มันแต่เรามาพอว่าพูดเดาๆว่างั้นเหรอจะให้มันสนิทใจเหมือนมันเป็นนั้นนั้นมันสนิทไม่ได้นะมันไม่มีอะไรที่จะพูดถูกนะ อันนี้นที่มันรวดเร็วรวดเร็วจริงๆคือมันไม่มีโปรแก ร, รมมันมีตั้งค่าต่างๆอาไว้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดไม่ว่าอาการใดของกิเลสที่มันกระเพื่ขึ้นมานะมันจะขาดใช้วัตถะทันทีเลยเนี่ยปัญญาเนี่ยมันพูดไม่ถูกนะเพราะท่านทุกานกาหารว่าพระพุทธเจ้ขาขา่ากิเลสข่าบด้วยประเภทใดปัญญาประเภทใดน่ะก็เมื่อมันประจักษ์อยู่นี้แล้วมันก็มาพูดได้สิขา้าบด้วยประเภทใดปะจะถามมางั้นเลย มันอาถรรพ์นี่ที่ที่เราได้ว่าคิดว่ามันก็ไอ้เวลากินนี่อาเข้าไปทลายถลายมันก็ยิ่งจะมีความสุขความสบายงานก็จะเบาลงเบาลงกับความจริงที่มันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเข้ากันไม่ได้วะคือมันวุ่นมากมันยิ่งวุ่นมากกว่าแต่ก่อนเท่านนั้นจะเป็นอย่างนี้พอพอพออยู่ที่ตกซะแล้วมันก็หมุนอีกแล้วหมุนอีกแล้วงงั้นอะ มันเป็นอตัตโนมัติหมุนต้อวนอ่นั้นน่ะนี่เวลาทำหมุนบนหัวใจคือหมุนค่าพิเรนเองทำงานทำทำงานเหมือนกับพิเลนทำงานแต่ก่อนมันทำงานอัตโนมัติทั้งวันทีนี้พอทำมีกำลังแล้วมันก็เป็นแบบเดียวกันเลยไม่มีอะไรผิดหรอกทำทำงานอตัตโนมัติก็คือภาวนาเมตตาปัญญาหมุนติ้วติ้วไม่มีคำว่าหยุดต้องต้องต้องในร้างเขามันจริงไม่ร่างไม่ตัง้งใจร้างจรงไม่ได้นะมันเทินขนาะนั้นต้องมันจะตายจริงนี่ พรมันหมุนมันยู่ตลอดเวลามันจะมืนกางคืนนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยก็ต้องดนร่างเข้ามาให้อยู่ในสมาธิคือภาวนาอะเข้าสู่สมาธิพุทโธพุทโธอัดเข้าไปเลยนะคือจะมีแต่อันนี้มันจะออกมันจะออกมาทํางานน่ะไม่ใช่อะไรนะมันไม่ได้ออกไปโน่นนะมันออกจากจากความรู้ต้นของความรู้นี่ออกไปทํางานอย่างนี้่ราบตัวอย่างนี้นะมันไม่ได้หมายถึงว่าออกไปโน่นไปโน้นนะคำว่าออกนี่นะบางทีจะไม่เข้าใจว่ามันออกไปโน่นมันไม่ได้ออกไปนน่นไปไหนล่ะ เพรจิตที่คัดละเอียดนี้แล้วจะไม่ยุ่งกับอะไรเลยจะมีเฉพาะที้เด็ดมันอยู่ที่ไหนมันมีเรื่องของมันอยู่ที่ไหนว่างั้งงนเถอะะมันจะอยู่ที่นั่นนี่นี่เรื่องของมันก็อยู่ที่จิตนี่ที้เด็ดอยู่ที่จิตนั่นหมุน ล, ล่ อ, อ ก, กันอย่างนี้พอว่าเท่านั้นจบนะพอคิดแลจบเอาแล้วเอาอีกแล้วยังต้องล้างขมาเอาพุโทโธอัดท่อไปบงังคับไปให้อยู่กับพุโทโธพุทโธไม่ให้ทํางานอะไรอ่ะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธเลยเรื่อยๆนี่ถ้าเราว่าเราพูดเราเผยนะแต่ที่นี่มันไม่เผยเนี่ พอเราลามือพูดแต่แค่นี้แหละให้เหมาะกันนะพอลามือนี่มันจะปั๊บถึงงานเลยเพราะเราต้องแถ็งมือเลยนะถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไม่กลับให้ดีเหมือนกับเราเรียนภาวนาใหม่นั่นแหะทีนี้จิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วมันจะเข้าเมื่อไรมันก็เข้าแต่มันมันเพลินนั้นมากที่กว่าจะมาเพลินในสมาธิสิมันถึงไม่อยากเข้าข้อหมายล่างนั่นนะนี่พรอเอาคำบริกรรมเข้าส่ปั๊บถึงบริกรรมเราเนี่ยมันก็โห้มันแปลกนะ คือมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงพูทโธพูทโธพุทโธถีบยิบก็ไปไม่ให้มันออกนอกมันจะออกสมกาเหมือนกับคู่ต่อสู้ยืนจังก้าอย่างนี้มันค่อยทีกับเราอยู่ดั้งนีนดั้งนี้มันขยับไปที่ให้หน้ายังไม่ทำนี่ไม่เสร็จจะโดดกันเลยนี่เกาะพอพูทโธพูทโธไปนี่ปรากฏว่ามันมันมันเหมือนเราหยอนอะไรลงไปเนี่ยถ้าจะเทียบนะมันเหมือนกับว่าอ่อนลงอ่อนลง พูดโทโทบังคับ่ะคือไม่ให้ทํางานทางนอกหอนลงอยพอถึงนี่กึ๊ก น, นิ่งโอ้ที่นี่เหมือนถอดเีืยกถอดน้ำนะเบาหมดเลยแสนสบายอยู่นั่นน่ะบังคับไว้นะถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ บ, บังคับ ม, มันยังจะออกอยูน่นี่ท่านน่ะ <c oughs> ให้อยู่นั่นจนกระทั่งมันพอแก่ความต้องการเมื่ออยู่อยู่นานเท่าไรมันยิ่งเหมือนกับมันสร้างกําลังตัวเองขึ้นมา พอเข้าไปสู่นั่นเป็นที่พักแล้วผมมีกําลังมังชาขึ้นมากระปี้กระเป๋ า, ปามันหนักมือพูดไม่ถูกนะพอเข้าถึงนั่นแล้วนั่นแหละท่านมาให้เขาพักในเรือนสมาธิถึงเวลาที่ควรพักให้เขาพักถึงเวลาออกธรรมารให้ออกนะั่นี่อย่างนี้เองแต่เรามันเพลินในความในงานมากยิ่กว่านี้มันจรงไม่ได้พิจารณานี่อย่างทองแท้เวลามันค่อยผ่านไปผ่านไปมันถึงก็รู้ทีนี้พอปล่อยป้ามนี่ผึ่งเลยที่นี่นะโอ้ที่นี้แข็งแรงนะทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันพร้อมกันหมดเหมือนว่ามีดนี่ก็รับหินเรียบร้อยแล้วคนก็มีกําลังวังชาแล้วกินข้าวพักผ่อนนอนหลับเรียบร้อยแล้วที่นี่ฟันไม้เท่านั้นขาดาสั้นไปเลยเนี่ยปัญญาอันนี้ออกจากนั้นออกอย่างนี้ไปแล้วมันมันมีกําลังเลยเนาะผึ่งผึ่งเลยแต่ที่นี่มันก็ไม่พ้นอีกแล้วต้องได้ถูกวังคาเรื่อยที่มันมาอยู่ตาลำพังมันมันไม่มาเพราะพลังของทางนั้นมีมากกว่าพลังของทางนี้พลังของทางปัญญามันจะมันเพลินปัญญามันมากยิ่งกว่าที่จะมาเพลสมาธิที่ไม่ได้ยิงบอกสมาธิตอนตายเห็นไม่รู้เลย จะของเอ๊ะมันไม่พอดีนี่ทามันไปสุดเบี่ยงมันแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็อืมมันก็ระงับตัวเองนะจะบังคับไม่หยิบไม่ได้บังคับนะเรื่องปัญญาประเภทเหล่านี้ะที่พูดเนี่ยที่มันหมุนตัวเป็นเกลียวนี่พอมันหมดเหตุหมดประจัยของมันแล้วมันก็ระงับตัวมันลงไปโดยไม่ต้องบังคับบัญชา ไม่ปรากฏว่าได้บงังคับบัญชาว่าให้จิตที่ทํางานประเภทนี้น่ะหยุดอย่างนี้เราไม่เคยปรากฏพอพอมันหมดเห็นหมดใจมันก็รู้จะใช้อย่างไรใจกับสันทิฏิโกนี่เราจะทําอะไรอีกเนี่ยเขอยู่แบบนั้นเลยแล้วใครพูดอยู่พูดกันฟังอ่าก็ได้ยินโงก็เปเล่นกับสัพท์เยอะแยะไปทาอะไรก็เปเล่นอย่างนี้มันไม่ใช่จริงมันไม่ได้เอาจริงเาจังเลยอะไรสักอย่างที่นี่นะเหมือนกับว่ารอด่หละนะแต่มันไม่รอแหละมันยังมีอะไรอยู่ในนั้นล่ะ ถ้าเล่นกับสันมันก็ดูสัตวนี่ก็จิตวิญญาณอันหนึ่งนั่นมันไปมาความว่างนันนี่ก็จะขี่พบขี่ชาติมันก็จะหมุนกันไปอยู่นี้ประมาณนี้นั่นเห็นใจของสันนั่นจะสงสารแน่นนนะ ม, นมนันอย่างนั้นนะรรมะที่อ่าไปเล่นกับสัต์มันเล่อย่างนั้นนะมันไม่เล่นแบบทุโลกแปดเดือนหรืเ้าเดือนนะที่มันหมุนติ้วติ้วนะก็มันไปมีปั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โน่นฟังอย่ราจึงว่าแล้ว มันมีเวลาว่างเลยน่ะที่ท่านหาวบายพูดขึ้นมาอยู่ๆท่านก็เออมันวะนี่ตอนท่านยังไม่ป่วยนะท่านจวนจะป่วยแล้วนั่นเออมุเพื่อนเขามาอยู่กับผมนี่นานแสนนานเทศนว่าการไในทางก็เทศมารซะมากต่อมากเลยแล้วใครจะคิดยังไงบ้างวางเนี่ยอันนั้นก็บกาดเรียนท่านทันตีเลยโอ้ยคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จิดไม่มีเวลาว่างเลยผมว่างหนึ่งนะผมพูดอย่างนี้กับท่านนะเรื่องคิดคิดเต็มหัวใจ แต่เวลานี้ปิดไม่มีเวลาว่างเลยเออทำได้ทำได้เออเอาเอาเอาจะของมันได้นะเรื่องของคนเรื่องภายนอกมม่สาคัญขอให้ได้เจ้าของเถอะมันมันจะกระจายไปหมดหนะในเรื่องที่ท่านพูดนี้ท่านเลยต่อยเลยนะคําว่าใครได้พิจารณาว่าไงคือว่าผมก็ได้เทศนาว่าการมามากเสมอใครได้จดใจลึกอะไรไไว้บ้างความหมายว่างั้นนะจะเขียนอะไรได้จดได้หรือเปล่าความหมายว่างั้นเรื่องทำตั้งหลายที่แสดงเนี่ยเต็มภูมิของท่านแล้วเข ได้เฉลยได้จ่าได้เพื่อนนแต่ถ้าไม่ได้พูดอย่างนี้พูดเพียงแค่นั้นเราก็ตอบท่านทันทีเลยเพราะว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้จี่ไม่มีเวลาว่างเลยพรานว่างเออขั้นขึ้นทันทีเลยนะ่ะออเออเอาเจ้าของเจ้ก่อนนะเรื่องเจ้าของเป็นสําคัญมากขอให้ได้เจ้าของาเถอะเรื่องทั้งหลายมันจะเป็นมาเองเมืว่างท่านเลยทิ้งไปเลยนี่ท่านพุ่งทะลุเลยท่านนี้มันก็ฝังหัวใจผมเลยที่ พอได้เวลาที่จะเขียนประวัติท่านนะผมจริง้เขียนเนี่ยเขียนดั่งเต็มหัวใจนะเขียนด้วยความเต็มอกเต็มใจเขียนด้วยความเคารพเลื่อมใสท่านเขียนสุดฝีมือว่างั้นเลยนะด้วยความพอใจทุกอย่างเขียนประวัติท่านจริงๆมันเอากัน น, นัง่งหนังจริงผมนี่มันเก้าปีเต็มนะ้หนักจริงๆมันเหมือนกับไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกตามีมันก็ไม่มองสีได้ที่จะเป็นก้าศึกต่อตาไม่ยอมไม่เห็นไม่ดูมันเป็นอย่างนั้นฝึกขนาดนั้น อะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อหูไม่ฟังอยาฟังเข้าพรเราตรีก็ไม่ไม่ยอมให้ฟังนั่นคือว่าสู้กันฝันฝืนกันฝืนอย่ายมม ไ, มไม่ใช่เราจะค่อยๆรอบๆมองๆโอ้โหไม่แบบนี้ไม่เหมือนไข่เอาเงินเอาจังมีเกี่ยมีคนมาเกี่ยวข้องคนมาดูคนอย่า <c> ง <oughs> นั้นไหมแต่ทุกวันนี้มันเอาเรื่องอม่มมได้แล้วตามันกระลำตามใจหมดแล้วหูกระลำตามใาอะไรมันก็เอาเน่ยแล้วเดี๋ยวนี้นะ เอก่อนนี้โวยบังคับเหมือนกับนักโทษหน้าตาหูเดี๋างนี้เหมือนนักโทษเลยนะแล้วใครจะมาหาผมได้หรอผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเนีอยนานมาถึงเก้าปีฟังทีใครมาเกี่ยวข้องผมได้ไหมผมว่ยังได้กล้าพูดที่ว่ามันจริงมันจังทุกอย่างอย่างอเนี่ยเหมือนก็ไม่ลืมหูลุมตาเลยนะในช่วงเก้าปีมันมัน เรียกว่าเหมือนไม่ลงเวทีถ้าต่อยกับกันเหมือนก็ไม่ลงเวทีเหมือนก็ไม่ได้ให้น้ํากันปรากฏว่ามันทุนอมุนกันอยู่ตลอดคือตอนลบลูกคันมันก็ถูไถมันนั้นนหละด้วยอํานาจของกําลังใจเลยนะมันจะลบมขนาดไหนมันก็ไม่ถอยมันตั้งมันตั้งของมันนี่ยอันนี้ก็หนักอันหนึ่งเหมือนกันแต่เวลามันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึงมันเป็นอัตโนมัติอันนั้นมันหมุนมันไปเอง ถ้าตอนที่เราพาให้หมุนนี่พี่บังคับมันให้หมุนนี่พี่เราก็ทุกข์อันหนึ่งจะตายจะเป็นจะตายเริ่มรกุคามทุกข์แต่ถ้าความตั้งใจมันมีอยแล้วมันไม่พ้นหลอกนะอันนี้ความมุ่งมั่นเนี่ยมันมันมีกำลังมากจริงๆความมุ่งมั่นอย่างที่ผมเคยพูดมาในมุ่งมั่นธรรมดานี่มุ่งมั่นอรหัตโพมิมันให้สําเร็จอาหารตอนนั้นเมื่อมันเชื่อจากพระแม่กุญแจแล้วว่ามรรคผลิพานมีอยู่เท่านั้นน่ะ เอาจริงนะที่หนึ่นั่นทำงา น, นมาแล้วมันจริงจริงอ่ะหนุติ๋วติ๋จะเป็นมะตายก็ขอให้ได้ขอให้ได้เนี่ยที่ได่พูดถึงลงไปป่วยอยู่ที่ในป่าข้างนู้นนี่ยที่ว่าเราเป็นห่วงยันยังไม่อยากตายเห็นจะชัดนะเกี่ยวมันห่วงมันไม่อยากตายคือไม่อยากตายมันห่วงที่ว่าเรายังตกค้างอยู่เดียรเนี่ยจิตของเรายังไม่บริสุทธิ์มันจะละเอียดขนาดไหนมันก็รู้อยู่ว่ามันยังไม่สิ้นสุด มันยังไม่ถึงที่จุดที่สุดอ่ะเพราะจริงยังไม่อยากตายยังเชืีอดายเคยจะไปค้างไม่พบใดภูมิใดจะไม่กลับมาก็ตามมันไม่ไม่ยอมค้างพูดง่ายๆนะจะให้พุ่งทีเดียวเลยเท่านั้นเอาไปเมื่อไรก็ไปแีเมื่อถึงขั้นมันแล้วเนี่ยที่ว่ามันยังไม่อยากตายมันลักษณะที่ว่ามันมันยังอะไรเสียดายชีวิตอยู่เพื่อที่จะให้จิตนี้มันถึงที่สุดพูดง่ายๆนะเวลานี้มันยังถึงจะมาละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู่เนี่ยมันยังไม่สิ้น มันรู้ชัดๆอยู่งั่นน่ะคือทังเรื่องละเอียดมันยอมรับแล้วว่าละเอียดเรื่องรูปเรื่องอะไรนี่มันปล่อยหมดแล้วหล่ะไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยกัญญาขั้นนี้ข้าจะลงเต็มที่เดินทางที่จากนั้นมาแล้วนี่นี่เวลาไปป่วยน้องที่ว่ามันถ่ายยี่ห้าอาจารเกิดสองข้างเป็นยี่เกิดข้างมันไม่เห็นอะไรอะไรเสียไหยเวลามันรูปถวาหมดแล้วมันจะไปจริงเฮ้ยจะไปจริงเหรอเนี่ย เอาไปยิงก็ไปเหอเพราะว่านักกรหนดป้ามันไปยิงเหมือนจะช่วยมันไปมันเลยเป็นช่วยฮะมันมีกำลังมันสร้างมาอีกเฮ้ยไปเฮยไปไปยิงสิเนี่ยแต่ตอนนั้ไม่เห็นมันอะไรอะไรเลยนี่มันเห็นทัใชัยโนหัวใจจะถอนมันไม่เห็นห่วงอะไรเลยตอนมาจมันสารน้ําถือไม่ได้มแม่โคจนมาหน้าภาพบอกวาปีหลังเก็มาจำมันสายอีกครั้งครานี้ไม่เห็นมันอะไรอะไรเลยเอออันเนี้ยย้ายคเนี่ย แก่พูดแปลกอยู่นะแปลกจริงๆสมกับที่ว่าแกรู้ที่คนอื่นแกเคยไปพูดกับพ่อแม่อาจารย์ฟังเราจะไปโอ้ยพระเนรนิน่งแน่นหมดเลยนะถ้าวันไหนแกออกมาแล้วนะถ้าเนรจะไม่นีไปไหนลนะ่ะล้างบาทเสร็จแล้วลุ่มม า, มาู่ตามแถวนั้นนะอ่ะใครฟังเพราะแกพูดเบาๆไปตัว น, นึ่แกพูดเสียงว้าววเาวโอถกเสียงกับพ่อแม่อาจารย์เล่นเมื่อไหร่วะ แกอบอกว่าจิตของหลวงพอ่อแกว่าหลวงพ่อจิตหลวงพอ่ อ, งงพ อ, อ, งงพอนี้ข้อบหมดโรสชาตเลยน่ะฟังสิทานว่างนี้เลยะข้บหมดโล ก, กทานเลยนะว่างนี่คนะือคำอัศจรรย์สว่างเจ้าค้าบลกทาตเลยจีตหลวงพออืเวาเรามาบวชได้เราถึงดูเราเรามีความใจความใจความจริงอ๋อมันมีมาตั้งแต่สมัยพระราชาเนาะ เอาให้ไดรงมรรคทรงผลอยู่ ม, มือเพื่นเรื่องราวที่เป็นชุนเป็นใสมันเผาไหมา้ศาสนาเผาไหม้พระเนรมา่ามากกวมากในเรื่องน้ำพันธุ์ที่นี่อเรื่องของโลกเนี่ยมันท่วมทับเข้าม า, มม า, าในวัดในร า, านในพระเนร์เราเราจะลืดเนื้อลุมตัวแล้วเสียไปหมดเลยนะ <S <S นี่นก็เป็นอะไรจะเป็นเขาเขาเป็นอไรจะเป็นกขาเขาอันเนี้ที่ผมติดใจมากก็คือ เอวทัตวิดีโ อ, น, โอนี่โจัาายในวงกรรมาฐานเราแล้วยังมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยนี่ก็ขึ้นเงียบนะพ่ออพี่เห็นเนาะอาละเชื่อกัน